แล้วก็เขาโนโมทนาในครั้งนี้ก็ศึกษาธรรมะต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วก็ศึกษาในธรรมะหมวดสองในสุภาษิตันตปิดกที่เทนิกายปติกวัในสังคีติสุ ไม่ใช่เฉพาะศึกษาในธรรมหมดสองหมดสามก็เริ่มเริ่มไปแล้วครั้งที่แล้วก็พูดในเรื่องของตากุสรามูลแล้วก็แสดงกุสลมูลสามครั้งนี้ก็แสดงเกี่ยในเรื่องของ ตีนี้ทุตจริตานี้กาย ท, ทุตุจาริตงวดีทุจริตมโนทุุจริตก็คือทุตจาริสามก็หนึ่งกายทุตุจริความประพฤติ ช, ชั่วทางกายสองวจีทุุจริความประพฤติ ช, ชั่วทางวาจาสามมโนทุจริความประพฤติชั่วทางใจคัีนี้ก็คือสามใ ทุจริตสานี่ก็คือทุจริตสามนั่นเองแล้วถ้าแสดงศึกษาคำสอนเนี่ยเขพูดถึงในเรื่องของบรรดาทุจริตทั้งหลายนี่ไงพอพูดถึงทุจริตก็ต้องพูดถึงในส่วนของสุจริตด้วยทุจริตก็พู ปีนี้สุจริตทานี้แล้วก็กายสุจริตทางวีสุจริตทางแล้วก็มนโนสุจริตทางกายสุจริตก็คือความประพฤตชอบทางกายวีสุจริตก็คือวระพฤตชอบทางวาจาแล้วก็มนโนสุจริตก็คื อ, คอการประพฤตชอบทางใจก็ต้องมาเช้าในเนี้ยนะ ทีนี้พอไปพูดถึงในเรื่องของทุตถุจ ร, ร, ร, ริตานิวิรูปานิวาจริกานิจิตรจริตานิบุพการกบพฤษเลวร้ายหรือความบุพติดลูกอันนี้ชื่อทุจริตนั้นที่เราเรียกกันว่าทุจริตทุจริตเนี่ยโดยความหมายท่านแปลว่าปบุพชั่วหรือบุพเลวร้ายเนี่ยเอใน ในสังคีตูในสัิคิตูตรเนี่ยพระผู้มีพเจ้าสรัให้พระสารีบุตรแสดงแก่หมู่พิกตูทรงประมาณห้าร้อยลูกที่ประทับที่สวนมะม่วงของนายกุทธากรรมลรบุตรใกล้นคปรปาวาของพวกมันละกษัตริย์ด้วยทรงปาราถึงการทำตาระของนิคนนาทะบุตรคือศาสดาของราชนิคคน ซึ่งภายหลังทํากาแล้วไม่นานพวกนี้คนก็เกิดการแตกแยกกันเป็นสองพวกเกิดบาดหมาง ก, กันเกิดวิวาทกันเนี่ยพวกตนรู้ทั่วถึงในคําสอนมาก่อนอีกพวกหนึ่งพระสารีบุตรกิงได้แสดงสังเีตสูตรดังที่ได้กล่าวอันว่าโดยการจัดหมวดธรรมเช่นหมวดที่หนึ่งหมวดที่สองเป็นต้นเนี่ยเพื่อแสดงให้เห็นว่าธรรมที่ในของพระบรวมศาสดานั้นตัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมนาออกจากทุก ถ้คําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยพลวพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วก็คือว่าเมื่อประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยสามารถจะออกจากชาติทุกทุกชาลาทุกมรณะทุกโสกาวะริเทวทุกขะทรมนัสสากและอุปาญานได้ข้าพจะเรียกว่าเป็นธรรมที่ออกจากทุกหรือออกจากวัฏจัทุกนั้นมีคําสอนของพลวพุทธ เ, นนเจ้านี้นเท่านั้นนะที่บอกว่าเมประพฤติปฏิบัติไปแล้วคน กินอยู่ในลัที่ศาสนาอื่นเนี่ยเขาก็เรียกิอภพนทุกข์ว่างว่องเหมือนกันใช่ไหมคือการกลับไปเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งหรือไปอยู่กับพระเจ้าของเขาก็ถือว่าทุกข์แต่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าตราบใดยังไปมีตัวมีตนอยู่จะไปอยู่กับใครนยก็คือไปทุกข์ถ้าถามว่าสมมุติพระเจ้านีนะถามว่าพระเจ้าเป็นตบันดาลไม่หมดเนี่ยถามว่าตัวพระเจ้าเองไม่ต้องไปทุกข์พราะพระเจ้าต้องมีการสกิดใช่ไหม ฉะนั้นหลวงพ่อได้แจ้งาไม่ซาลาเสริญเรื่องการเกิดไม่ซาละเสริญเรื่องวัตต์ฉะนั้นคําสอนของหรวงพ่อไเจ้าหลาออกจากพุกเป็นไปเพว่ความสงบพิกษุน์ทั้งหลายก็ได้จบในความจดจําในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ขัดแย้งกันถ้าทำได้ก็สามารถยั่งยืนยาวนั้นได้ทีนี้เกี่ยวในเรื่องของการยึดทุจริตเนี่ยนะ ความปรพฤตชั่วทางกายอย่างนี้ก็มีสามอย่างใช่ไหมมีแะไรมีปานาติบาตตินนาทานและกาคาเมสุมิ ช, าชาัยจารถาวจีทุจริตเนี่ยมันก็ประพฤติชั่วทางวาจาก็มีอยู่สี่คือมูสาวาติสุนาวาจาพรุทวาจาและผสมผอบเปลา ป, ปากพพูดอย่างนี้โยคนแปลไาม่ได้ธรรมโนทุจริตก็คือความประพืติชั่วทางใจก็คืออภิชาก็แปลว่าความเพ่งเล็งเฉพาะพยาบาท ก็คือความบองร้ายแลก็มิใช่ที่ถือความดในสุราสุมังคาลาวิราทีนีอัตตกระถาเล่มสามภาคสองอัตตกรถาของทีสเนกายเนี่ยกล่าวไว้บอกว่าเรามารับศัตท์ปรากฏในไขพพ่พระสัพพญยุตยานของพระเจ้าขณะทรงจาริกหยุดชนบทก็เห็นว่าราชาทั้งหลายได้สร้างสรรคาถาานขึ้นแห่ง เมื่อเราไปพระราชาทั้งหลายจะให้เรากล่าวมงคลเมื่อพระราชาทั้งหลายกลับไปแล้วจะบอกให้ภาษาลีบุตรกล่าวคำภาษาแก่พิกสูให้รับรู้ภาษาลีบุตรจะกล่าวสิ่งที่พิกษุฟังและครบควรแล้วจับรรลุเป็นประอันพร้อมด้วยปฏิสังขารด้วยเหตุนี้จึงทรงเสด็จมวนป่าวาลุจารการรบก่อนเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาพระองค์จะเสด็จไปในที่ตรงไหนเนี่ย ท่านท่านรู้เหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นนะเนี่ท่านปิดกับเราเนะยสมมุติว่าเราจะไปที่ไหนเราไม่รู้เลยข้างหน้าเลยรจะเกิดขึ้นแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านท่านรอบโล้แล้วว่าเออไปฮะคราวนี้นะพระราชาก็ให้ประทับในสันฐานคางแล้วก็เมื่อไปประทับเป็ดเสร็จแล้ ว, ลวพวระออพุทธเจ้าแสดงคำพอพระราชาเสด็จขับไปแล้วต่อมาในภาษารีบุณรก็จะปรารบธรรมะก็คือจะกล่าวสังขี ทีสูตรรวมรวมพระธรรมวินัยพระเจ้าพระพระพุทธเจ้าพิจารณาเห็นเหตุเกิดอย่างนี้แล้วว่าพระองค์ก็สนิจอย่า ง, ง น, นี้เป็นต้นนะนแ ล, แ ล, แล้วจ้างที่ต่างๆเนี่ยพุทธเจ้าจะคำนวณก่อนแบบนี้เป็นเสร็จแล้ถ้าพูดถึงว่าเป็นนากวางแผนนี่ขั้นเลื่องแล้วเดี๋ยวไม่ติดพลาดเลยนะคนที่เขาจะทําประอกอบอาชีพการงานในๆต่างๆในนาก็ต้องวางแผนเป็นเสร็จเป็นขั้นตอนของเขาว่าห น, นึ่งสองสามทำยังไง ขนาดานน ร, ร่างแต่งในนั้นอดติดเจ้าไม่ได้เดี๋ยวพระเจ้าไว้ดีเลยนะพระเจ้ารู้เลยเออถ้าหาไปที่ตรงเนี้จะต้องมีคนมาเฝ้เมื่อมีคนเราเฝ้าแล้วเนี่ยเราก็อยากล่าวเรื่องเนี้ยเพราะท่านที่เหตุที่กล่าวเรื่องนี้เพราะหมอกแย่อัจยาใส่เนี่เมืออ่อกล่าวไปเสร็จแล้วท่านที่ฟัง ท, ทำนี้ก็จะได้รู้อะไรเงี้ยนะก็จะรู้อะไรคือมองแล้วไม่ขัดเออเขาเรียกว่ามียพยานอย่างหนึ่งเขาเรียกอนานาวอร่ญญาพยานที่เป็นไปโดยไม่มีอะไรมาขัดขวางได้เลย ไม่ติดขัดแนลลมทั้งปวงมองอะไรก็ทะลุปลกลงถ้ามีคนเข้าอาเป้าพระเจ้าก็มากราบถูและท่าบใจเขาบอกพูดใจวันข้าพเจ้าพอถึงพุทธเจ้าพุทเจ้ามองรู้นะถิงถิงวันนี้นะฉะนั้นถ้าคนที่จะไปเป้าพระเจ้าเนี่ยต้องต้องต้องก็แค่ที่ศีลก็ต้องดีอะไรก็ต้องดีแต่แค่ที่มาทำทีทาค้านีพระเจ้าก็รู้อยู่แล้วโอ้ทำแบบนี้หลายครั้งทรแล้วดีพระเจ้าพูดอย่างนี้เลยเนี่ย บางทีเนี่ยผู้จ่าไปบอกโอ้เหลือไม่รู้กรรมเกิดก่อนก็เคยอย่างนี้อย่างบางคนเนี่ยนะอ่าอย่างคนเคยเป็นคนที่ ห, หลอกลวงเนพ่ยผู้จ่ า, าโอ้หลอกมาหลายภพชาติแล้วก็จะเล่าอดีตให้ฟังโดยจำไปว่าในชาติที่แล้วทำกรรมอะไรมาจึงมาเป็นอย่างนี้เป็นครับเนี่ยคื อ, ค, อคือการมองทะลุผุโปรกทะเบียนไปแล้วตอนนั้นในเาสาวกที่จะตัดสู่ธรรมมีสองประเภท คือประเทที่เป็นพุทธเวนัยแล้วก็สาวกเวนัยคือผู้ที่จะตัดสรู้ได้ก็ต่อเมื่อฟังธรรมจากพระพุทธเจ้ากับที่จะตัดสรู้ได้ก็ฟังธรรมจากพระสาวกเป็นตัวพิสูุประมาณห้าร้อยลูกจะเป็นสาวกเวนัยเมื่อพระพุทธเจ้าตัณฑรู้เนี่ยในที่ห้าร้อยลูกที่ตามพระพุทธเจ้ามาในครั้งเนี้ยไม่ใช่เป็นพุทธเวนยแต่เป็นสาวะเวไนัย นั่นเมื่อไม่ใช่เป็นพุทธเวไนเนี่ ย, ยนะอย่างสมมุตินะอย่างพวกเราเนี่ยเวลาจะกล่าวอะไรต่างเราก็กล่างโม้ๆเลยไ ม, ไม่รู้หรอกเมื่อไม่รู้เนี่ยการกล่าวไปเนี่ยก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรแต่พระพุทธเจ้าเดี๋ยรู้เลยโอ๊ยนี่นั่งอยู่ห้าร้อยรูปยังไม่ใช่พุทธเวยไนยนี่ฉะนั้นเราถ้ากล่าวก็เหนเื่อยปากแต่ถ้าให้ท่านภาษาในบทกล่าวท่าเหล่า น, นี้จะได้รู้เป็นพระอรหันต์กันหมดพุทธเจ้ารู้อย่างนี้ก็ การบกให้ภาษาที่เก่าทำมาอย่างเรามีเวลาไปหน้าที่ไหนนี่เอาความอยากเป็นประมาณนี้อยาก น, นี่ไม่ไ้เอาความหมองหรือไม่มองทีนี้ท่านก็สอนเกนี่ยวกับเรื่องขอทุจริตนีนะบอกว่าความประพฤติเลวร้ายหรือความประพฤติผิดรูปอันนี้ชื่อว่าทุจริตเ้าเรียกประพฤติเลวร้ายหรือเรียกอย่างนึงเขาเรียกประพฤติผิดรูปนี่เรียกว่าทุจริต ทุจริตด้วยกายชื่อว่าทุจริตนั้นเป็นไปทางกายอันนั้นเรียกว่ากายทุจริตทุจริตด้วยวาจาหรือทุจริตนั้นเป็นไปทางวาจานั้นเรียกว่าวาจีทุจริตทุจริตด้วยใจหรือทุจริตนันเป็นไปทางใจเรียกว่ามโนทุจริตเรียกว่าความประพฤติผิดรูปนั้นเรียกว่าทุจริตเลยทาไมจึงเรียกว่าประพฤติผิดรูป จะเรียกว่าบัพติศลูกนั้นก็เพราะว่าโดยปกติเนี่ยนะความบัพติศลเนี่ยมันมันมันเป็นใจขบ่าเป็นใจกระอุโสมนึงเรียกว่าทุกทุกมีแปลว่าไม่ดีนะจริงๆทุกนีแปลว่าไม่ดีหรือบางทีก็แปลอย่างนี้แปลว่าชั่วอะไรทุกเนี่ยจริตตานี่ก็แปลว่าความบัพติศลถทุกจริตก็คือบัพติบัพติศเลวร้ายบัพติศชั่ว คือปกติเนี่ยนะไอ้กายเนี่ยมันก็มันก็เป็นปกติว่าเขาอยู่เนี่ยนะวาจาลิขิตกุตเตอรทีนี้ไอ้ความประพฤติผิดหรือไม่ผิดเนี่ยก็มองไปที่ตรงไหนมองไปที่ตรงเจตนามองไปที่เจตนา ท, าที่เราทุจริตด้วยกายหรือทุจริตเป็นไปทางกายเรียกว่ากา ย, ยาทุจริตเป็ตน้นความประพฤติ ในลักษณะที่เป็นคำที่เล่าร้อนเขาเรียกตับตายที่แย่คำคำที่เล่าร้อนคำที่เล่าร้อนเป็นแค่ไหนบอกกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตสภาวธรรมเหล่า น, นี้ยชื่อว่าตปันยยที่แย่คำเขาแปลว่าคำที่เล่าร้อน ทีนี้ทำที่เล่าร้อนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกายทั้งเวิธีทเจติมนุษย์ทโนเจติเก่านั้นอาุโสรธรรมทั้งหมดจัดว่าเป็นนามที่เล่าร้อหนหมดเลยเช่นโลภะเนี่ยไงความโลภเนี่ยโทสะความโรกรธโมหะและความหลงอีกสามมัชยริยะปุขจาเป็ น, นิ่มอันนี้อันนี้เป็นนามที่เล่าร้อนทีนี้เขาเรียกว่าตับฟังน้าทำหรือตับปฏิญาธรรมเนี่ยทำที่เล่าร้อนด้วยเหตุสองเลยคือว่าพเพราะเหตุที่ทำและเพราะเหตุที่ไม่ทำ บอกว่าความเล่าร้อนเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยด้วยเหตุกี่ประการบอกเหตสองประการหนึ่งเล่าร้อนเพราะเหตุที่ทำสองเล่าร้อนเพราะเหตุที่ไม่ทํำเล่าร้อนเพราะเหตุที่ทําที่ไม่สงสัยใช่ไ้ยเล่าร้อนเพราะเหตุที่ไม่ทำนี่คือธรรากายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตที่บุคคลจะทําแล้วเนี่ย ย่อมทําให้เกิดความเร่าร้อนนี้เรียกว่าเร่าร้อนวิเยตที่ทำนั่นเราทําไปดูสิว่าทุจริตที่เป็นไปทางกายทุจริตที่เป็นไปทางวาจาและทุจริตที่เป็นในทางใจทําเมื่อไหร่ก็เร่าร้อนนี่เรียกว่าเร่าร้อนวิเยตที่ทำทีนี้เร่าร้อนวิเยตที่ไม่ท like ําคือ ย่อมเดือดร้อนใจในทุจริตที่ได้ทําไปแล้วและเดือดร้อนใจที่ไม่ได้ทําสุจริตอันนี้เขาเรียกว่าเล่าร้อนเพราะไม่ได้ทำเล่าร้อนก็เหตุที่ที่ไม่ทำํำคือว่าเดือดร้อนในทุจริตที่ได้ทําไปแล้วเราเอาเมื่อวานนี้ทําทุจริตไปแล้ววันก่อนปีก่อนเดือนก่อนเป็นต้นเหล่านี้ที่เราทําทุจริตทางกายทางวาจาทำอะไรไปอันนี้ไม่ได้ทำํทำนะเพราะมันทําไปแล้วแต่ก็เล่าร้อน แล้วเมื่อเราร้องแล้ยังไม่พร้อมเราไม่ได้ทําบุญเลยกายสุจิริพุธีสุจิริตมนโนสุริแม่ทัพ อ, อันนี้ก็เาลาร้องไม่ไดคือไม่ได้ทําสุจริตอันนี้ก็เรียกว่าเาล่าร้องเหตุที่ไม่ได้ทำทีนี้พุทธเจริญสามเนี่ยนะท่านบอกว่าในอันคุด ในทกการนิบาตท่านบอกว่าท่านกล่าวถึงโทษโทษของทุจริตไว้สามประการบอกว่าเมื่อกระทําการแยกทุจริตไว้ทีะะทุจริตและมะโนทุจริตไปแล้วหนึ่งแม้ตนเองจะติดเยัเงจะดีได้ถามว่าท่านประกอบทุจริตทั้งสาประการนี้ไปแล้วเนี่ยถามว่าตนเองกี่เสียนตนเองใช่ไหมนึกถึงเวลาที่ชื้นชมตัวเองไัมก็ไม่ เรียกตนเองสีเดียนตนเองสองผู้รู้ให้คนแล้วก็าตีเดียนนะผู้รู้คือวินยูชนทั้งหลายคนมีปัญญาทั้งหลายสามกิติษาความช่วยจะไนจะช่นไปคนทำชั่วยทั้งหลายก็อูแล้วก็กืกอข่าวดสี่เป็นคนหลงทำการละหลงทาการล ะ, ลรละคือก่อนตายเนี่ยออหลงก่อนเขาบอกว่า ถ้าอยากจะหลงก่อนตายก็เอาทุิตเยอะๆดีมคนหลงก่อนทางหลงคือเขาคนเากลัวกันมากทุกวันนี้ือกุเรื่องเรื่องหลงกลัวทัาไม่อยากหลงก็อยากไปอยาไปงดยินไปงดยินดทุิตกันก็พยายามทสุเจริญสุสาม และการที่ 5, ห้าเมื่อแตกตายไปก็เข้าถึงอบ า, ายทุกติมินิบัตอิอารมณอันที่เป็นอริสงอั น, ออนริษงลงทุจริตการต่อมาคการเลือสุดจริตนีน้อยู่สามประการการเลือสุจริตความประพฤติชอบทางกายก็คือเว้นจากปนานอาทิบาเว้นจากอาินนาทานการในสุวิชชาจารว่ากีสุดจริตก็ประพฤติชอบทางวาจาละหมดเว้นจาก มุสาวาติสุนาวาจารุษวาจาสัตพราพามโนสุจริตก็คือประพฤติ ช, ชอบทางใจก็คืออานาพิชาไม่เพ่งเล็งอคตยาบาทก็คือเมตตาและก็สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบในสุจริตสามเนี่ยนะการเกิดขึ้นของสูตรเนี่ยก็เหมือนไงความประพึ้นถูกต้องหรือความประพฤติดีงามชื่อว่าสุจริต ทางคือทุจริตได้สุจริตสามารถกล่าวได้โดยบัญญัติในก็คือว่าการร่วมละเมิดสิทธาบทที่บัญญัติไว้แล้วเช่นสีลนะฮะเช่นเละเมิดศีลห้าในกายทะวานที่ว่ากายสุจริตการไม่ร่วมละเมิดก็ชื่อว่ากายสุจริต แต่จริงๆการยศชริดก็คือการสมาการสิ่การร่วงละเมิดสิขาบทที่บัญญัตบไว้ในกายยทวารวจีทวารชื่อว่าเ อ, อล่วงละเมิดบัญญัติไว้ในวจีทวารชื่อคือสิ่ข้อที่สี่เนี่ยบอไปสี่ข้อที่หนึ่งสีข้อที่สองข้อที่สามและข้อที่ห้านี้เป็นไปทางกายยทวารใช่ไหมข้อหนึ่งทางอธิบานียใช้อะไ ร, รับ ทางกายเนี่ยแล้วก็อธินาทางก็กายการมิสุนทรียาจารยก็ทางกายเลยทวายดื่นจุราเมลไยกินเลี้ยงสังสรรค์บ่อยๆมีคนที่ก็เนียทำใกายเนียกแก้วชนกันจงเฉริมจงเฉริมคเคยไหมพกันแปลกๆเรื่งนี้ก็เวลาโตไป เวลาเขาไปกิเนเลียงเองเขาจะพูดถึงแต่ฉันกันนะเขาบอกผจะเลย น, นจะจะเลยไรเงินงงน้ำมี่น้ำเกือน่าจะพูดสาบกันเลยไม่จะน้าจะเลยนนั้ตรงเงินข้า แต่ไม่ใชถ้าพูดจริงๆจงวิบานกนางมีเะบุญนี้อนนี่กกกกาาททัันนอยยู่ี็ปต แต่นี้พอพอยกแก้วเหล้าใส่เข้าปากมันเป็นกายยาสูดจิตหรือนะแต่นี่ก็จะตามมาด้วยว่ากี่สจิตวันี้นีคุยป้งเลยนะรู้รเรื่องรทุกเรื่ยงไม่รู้อยู่เรื่องเดอว่าเหล้ากินแล้วมันเมาชน่อันตรายทุกทางกนโลกเจ้าอ่งน้ยังไงมันเปนมเป็นประเยทอะไรกันแปลเลย คือปฏิผิดเป็นการเป็นถูกดังนั้นถึงข้อที่หนึ่งที่สองที่สามและที่ห้าอันนี้เป็นกายยุจริตคือการถ้าการไม่ล่วงละเมิดก็คือไม่ล่วงละเมิดสี่สี่ข้อนี้ส่วนการล่วงละเมิดสิขาบทที่บรรญัิไว้แล้วในวจีทวารเช่นสี่ข้อที่สีนนอ่อันนั้นชื่อว่าวจีทุจริตการไม่ล่วงละเมิดอันนั้นชื่อว่าวจีจริต ถ้าร่วงแล้เมื่อจะเป็นวจีทุจริตถ้าไม่ร่วงแล้มื่อจะเป็นวจีสุดจริตทีนี้ถ้าร่วงแล้เมื่อสิดขาบทที่บัญญัติไปแล้วในกายทวารและวไปจีทวารชื่อว่ามโนทุจริตการไม่ร่วงแล้เมื่อจะชื่อว่ามโนสุดจริตสรุปแล้วว่าศี่ทุกข้อะเป็นปัจจัยแก่มโนทุจริตหดเลยฉะนั้นการจะทํำบารานิบาตเนี่ยทางจิตมันจะต้องเป็นมโนทุจริต ก, ก่อน การจะทำอตินนาทานการเมสุนิสาจามุสมช า, ชาสวาใยการจะดื่มชุาลามีอะไรจิตต้องเป็นมนโนโทุจริตฉะนั้นได้คิดว่าวันนี้มันเปรี้ยวป่ากสมมุตนะิน้ำมีอะไรมาลมดื่มมันชึ้นใจเล็กหน่อยในแค่คิดอังนี้เป็นมนโนทุจริตนี่เทั้การกระทำก็เป็นกายาทุจริตคิดทางใจก็เป็นมนโนทุจริสรุปแล้วก็คือมนโนทุจริ ทีนี้ว่าโดยกรร ม, มบุตรเจตนาสามอย่างเจตนาฆ่าเจตนาลกฆโมเจตนาประพฤติผิดประเวณีเกิดขึ้นทางกายยัตวาคืออันนี้พูดถึงเจตนา เ, นเจตนาในการฆ่าเจตนาในการขโมเจตนาในการประพฤติผิดประเวณีอันนี้เกิดขึ้นทางกายยัตวาฆ่าเย็นโมเย็เป็นต้นเนี่ย ส่วนวจีทาวาลเช่นสั่งให้ผู้อื่นฆ่าหรือสัให้ผู้อื่นขโมยอันนี้ชื่อว่ากายยัตุจริตสั่สงเนคือเป็นวจีทัตาวานียงแต่ว่าเป็นการสารัสร่งสั่งและเขาเาการไปฆ่าเลยจับว่าเป็นกายยัตุจริตวิรัตคือการงดเว้นจเจตนางดเว้นการฆ่างดเว้นจากการรักงดเว้นจากการผิดประเวณีอันนี้ชื่อว่ากายยัตุจริต ถ้าเจตนาสี่อย่างเช่นเจตนาพูดเท็จเจตนาพูดทำอยางเจตนาพูดส่อเสียดเจตนาพูดเฟเธอร์ที่เกิดขึ้นทางาวจีทวารและกายทวารใช้กายโกหกเช่นาสามงพิษาี่เชืวว่อวจีทุจริอเอาอย่ายกตัวอย่างอันนี้นะสั่งให้คนอื่นไปฆ่าถ้าเขาไปฆ่านั่นเป็นกายทุจริตใช่ไหมเพราเราใช่วาจาสั่งเขาใช้กายไปฆ่า แต่ถ้าเรามีคนมาถามเราว่าเออเนี่ยเมื่อวานเนี่ยคุณไปที่บ้านหลังนู้นจริงหรือไม่จริงเราถามลิษาอันนี้เป็นกายทศเจริญหรือวจีทศจริญเป็นวจีทศเจริญไม่ถามลิษาไม่พูดเราแต่ถามลิษ <c oughs> นเนี่ยวจีทศเจริญคือไม่ได้ใช้ว่าต่อคำพูด <c oughs> แต่ใช้ การสั่งซืสั่ใช้กายโกกุกเนี่างทีก็บอกไม้บกมือใช่ไหมไม่โก้หลอกจะบอกไ้บก็ือแตคือไม่เอาใช่ไมถ้าถามว่าเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี้จะไปซื้อของไมือเป่าบกบอกือแบบบกมอันนี้เป็นวธีทุกนดคือใช้ใช้กายแทนวาจาใช้กายแทนวาจากีนีเรียกว่าจีทุกเน็น ทำบ่อยไหมเงนินอันนี้เป็นกรรมบอดเลยนะกรเหมือนสนุกวิรัติเจตนางดเว้นจากมูสาว่างดเว้นจากปิสุนาวาจาภุร ษ, ษาวาจาสำมภะาราตายิวเวจีสุจริเจตนาสามอย่างคือเจตนาเพ่งเลอยากได้ของเขาเจตนาตองร้ายเขาแล้วก็เห็นผิดที่เกิดขึ้น ทางจายอย่างนี้เรียกว่ามนโนทุจริตต้องมีเจตนาในการเพ่งเลงว่าอยากจะได้คือบางคนบอกว่าไม่ได้ก็ขอก็ข อ, ข, อขอคิดว่าเป็นของเราว่าคือผนไม่ได้ทำไงก็ไม่ได้ทังนั้นก็เจตนาไปโลกกรางใช่อันนี้เป็นอภิชาเรียบร้อย บางคนอย่างยกตัวอย่างเลยมันไม่ทําแล้วมันก็มีใช่ไหมไม่มีรถไม่มีอะไรเอาคิดว่าเป็นของเราไปแล้วนีว่คนจเจริญอะไรก็ไม่เป็นเอง <c oughs> คนน่าจะปับเป็นเยอะจริงๆเลยที่ไม่รู้จักเจริญข้ามใจในการจเจริญตัวเจริญนะอย่างนี้จะดียังไงมันก็ไม่มีเครื่องบินขับเลยก็เป็นงานไม่ก็เป็นหนุ่เรียบรู้นีเจน้าทเปได้ความา เจตนาปองร้ายตรงนี้ทำสามอย่างที่ประกอบด้วยเจตนาถ้าไม่ทิ้งเว้อยากได้ไม่ฟองรา้ายก็ไม่หรือมีความลหนถูกอันนั้นก็เป็นมโนสุดจริงที่นี้ในอัตตาที่มีอัตตากฐานในภาคพิํากล่าวเอาไว้ว่าธรรมชาติที่ทําให้บุคคลเกิดภาวะงดเว้นจากการล่วงละเมิดทางกายและทางวาจาธรรมชาตินี้เชื่อวีระ เอ้วิรัชมันมีอยู่สามประการหนึ่งสัมปติวิรัชหรือสัมปะตะวิรัชการเว้นเฉพาะหน้าเช่นเว้นจากการฆ่าเว้นเพราะสงสารเว้นจากการรักการขโมยเป็นต้นเพราะผิดโทษไอ้เีตุเกิดขึ้นเฉพาะหน้าอย่างเนี้ยอันนี้ก็เรียกสัมปตะวิรัชอันนี้ไม่เกี่ยวกับการสมาทานสีเลยคือ พอพิจารณาแล้วก็แล้วคนเรงหน้าสงสารน่าไปฆ่าเลยเขาอย่างเง้จะไปรักขโมยอ้าวถ้าเราโดนรักบ้างเราจะเป็นยังไงอเงี้ยไม่ได้เดียร์คนละทางดินเลยจะไปเปิดติดในกามอ้าวของของใครใครเขาก็หวงใครเขาก็รักถ้าของของเราเรายังหวงจะไปโกหกเขาอ้าวถ้าเราถูกโกหกบ้างเราจะไปดื่มสุราเมียอะไรอ้าวจะไปตัดสินด์ตัวเอง่าเยหมือนเมาถูกไหมอะไรเง คิดคิดขึ้นมาลักษณะที่ได้าอารมณ์เฉพาะหน้าอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าสองปฏตาวิระเป็นบ่อยไหมในนี้ที่ไม่ได้สมาท า, ทานแต่ก็เยอะแต่ไม่ใช่ว่าที่ไม่กินไม่ใช่อะไรเนะียเพราะว่าหมอเาสั่งไว้นี่คนละเรื่องเลยอันนี้ ม, มีเจตนาหมด้วยนะอยากไปกินนั่นแหละแต่ามกินไม่ได้จริงๆร่างกายไม่ได้อันนี้มันเจตนายหดเลยเพราเพราเหตุก สม า, ามทานวิรักเนี่ยได้แก่การสมาทานตั้งเจตนาไว้ก่อนการรับศีลแล้วก็งุดเว้นตามนั้นเรียกอีกอย่างหนึ่งก็าเรียกเจตนาวิรัอันนี้ก็คือสมาทานดจุจสาษเนี่เกิดสมาทานศีลด้วยนั่นแล้วก็เวลาจะไปประพฤติโลกมาเมื่อเราอ้าวเราสมาทานไว้อันนี้ก็เป็นข้ อ, อย้ำคิดทําให้เรามีกุศลและจิตเกิดขึ้นบาด้วย ส่วนสมุทเฉทวิลักษ์เนี่ยเป็นการมดเว้นโดยเด็ดขาดไม่มีความคิดล่วงละเมิดใดๆได้อีกเพราะกิเลสที่ทําให้คิดล่วงละเมิดถูกละได้แล้ววิลักษชนิดนี้เป็นของอรพระอริยะจ้าเจอพรยอริะเนี่ยท่านไม่ต้องมีเจตนาว่าเราจะได้มดเว้นจากการฆ่าเป็นต้นนะแต่กิเลสที่เป็นเหตุแห่งการฆ่ า, ามันทนละได้เลยเท่านละได้โดยชนิดที่ไม่ดุหนาเลยเนี่ย แต่มันเหมือนว่าแต่ความความคิดความคิดที่จะฆ่ามันหายไปนะเพราะถูกละได้ยินเด็ดขาดอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยความคิดที่จะฆ่าเป็นต้นมันยังมีอยู่ใช่ไหมอย่างกตัวอย่างเช่นเวลาโยมมาเกอะเนความคิดจะฆ่ายุงมันยังมีอยู่เนี่ยเราก็จะต้องสมาทานสีสมาทานจตริศสาวเป็นต้นคอยต้องกันเพื่อจะได้ไม่ร่งวงระมือ เพราะเจตนาในการฆ่าเจตนาในการหยุดฉวยเจยตนาในการกระพื่ิมติดเป็นต้นของเราท่านทั้งลายเรายังล้างไม่ได้เพราะกิเลสที่เป็นเหตนะุเป็นการฆ่าเิ็ต้นเหล่านั้นมันยังมีอยู่ในจิตสำัมภารแต่พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยเจตนาในการฆ่าในทั้นหมดเลยนั่นน่าสบายใจตรงที่เจตนาในการฆ่าท่านไม่มีแล้วนั่นมันก็ปลอบโปก่งใช่ไหมไม่เหมือนว่าคนที่คนที่เป็นโรคผิวหนัง ที่รักษาหายแล้วกับคนที่เป็นโลกผิวหนังที่รักษาไม่หายถ้าถ้าเหตุปัจจัยก็พร้อมที่จะคังขึ้นมาทุกเมื่ออย่างเราท่านทั้งหลายที่ยังเป็นบุตรชนทั้งหลายก็เหมือนเนะี่ยเหมือนจะเป็นโลกผิวหนังที่ยังรักษาสมุทรานเขาไม่หายก็รอว่าเมื่ อ, อไหร่เนาะจะได้เหตุปัจจัยในการที่จะทําให้มันสู่มคันเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าได้เหตุได้ปจัจจัยเมื่อไหร่มันก็คันก็เป็นตุ่มขึ้นมา แต่สําหรับบุคคลที่เขารักษาที่สมูฐานที่ต้นตอของโลกนั้นหายไปเสร็จแล้วเขาก็ไม่กลับมาเป็มอีกแล้วเช่นพรริยะเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านละเป็นเด็กขับเทตยนาที่กิเลสที่เป็นเหตุ็นการละการฆ่ า, าการประพฤติผิดในการในการพูดเท็จเป็นต้นเนี่ยก่เลสที่เป็นเหตุในการกระทำเหล่านั้นหมด นี่นี่คือจุดจุดต่างนะจุดต่างเป็นไปรักขนาดยิเขารียกสมุทเฉยวิรัตฉะนั้นคําว่าวิรัตคําว่าเจตนาเนี่ยหมายถึงวิรัตอย่ที่ได้กล่าวทีนี้บอว่าการกล่าวถึงสุจริตการยสุจริตว่เจรสุจริตมโนสุจริตนัสพาวาทานแบบนี้ชื่อว่าตาปะเนียธรรมธรรมที่กําจัดความเล่าร้อน กุศลและธรามทั้งมดจะเป็นอัตตะเหี้ยธรรมไม่ใช่ตัปะเหยธรรมหรือถ้าตัปะเหี้ยธรรมก็แปลว่าธรรมที่ทาให้เลาร้อนถ้าอ า, อน เ, นอาเนี่ยเป็นคาปฏิเสธอัตตาเหี้ยธรรมก็แปลว่าธรรมที่กาจัดความเลาร้อนที่จริงทานในกุศลสิงกุศลและภาวนากุศลเป็นต้นอันนี้เป็นธรรมที่ากาจัดความเร่าร้อนความเล่าร้อนโลภะนี่ถือเป็นความเราร้อนฝฟเกลือราคะ ความอยากก็เป็นความ ร, าร้อนโทรศัพท์ก็เราร้อนโมหะก็เราร้อนทีนี้สมาธาก็ต้องจัดโลภะนะทีนี้สมาธิเกี่ยวกับใน เ, เรื่องของพวกกลุมเมตตาเป็นต้นก็ต้องจัดโทสะ ปัญญาก็กำจัดโมหะเป็นต้นฉะนั้นทำที่กําจัดความเล่าร้อนก็กลุ่มกุศลละทำการย่สุจริตวิจิตรสุจริตแล้วมโนสุจริตเนี่ยถามบอกว่าเราจะทํายังไงให้สุจริตเกิดนี่เราศึกษาเรื่องสุจริตแล้วว่าท่า น, นก็บอกว่าเพราะผู้ทําความดีย่อมไม่เล่าร้อนการแย่สุจริตก็จิตรสุดจริตมโนสุจริตเราได้ทําไปแล้วความดีได้ทําเกิดขึ้น ความเล่าล้อนก็ไม่เกิดเจ้าไม่เล่าร้อนทางกายเป็นต้นแต่ท่านก็บอกว่าอธนนิสงฆาประการของกายของสุจเจชสามคือแม้ตัวเองก็สี่เทียนตัวเด็กไม่ได้ผู้รู้ใครควรแล้วก็จะสารเสด็เมื่อเอท่านผูนี้ประกอบคุณศรัทธาเนะ่ยกิตติสาอันงามก็กระชอนไปทั่วแล้วก็ละใกล้ตายก็ไม่ลงทีนี้ถ้าแตกกายตายไปก็เข้าถึงสุคติโลกโซนรากน่าเีย ใ, ใจใช่ไหม ที่ปัญหาว่าเออเรียนสุจลิศสุจริศมหอย่งครัว่าสุจริศมีอะไรเป็นต้นเนี่ยเราจะทําสุจริตให้เกิดขึ้นได้อย่างเพราะว่ากายสุจริศวิจิรสุจริตมโนสุจริศนี่ันสอใช่ไหมถามว่าเห็นทางตาเราสามารถตืบนสุจริศได้สุจริศทางตาทางกายทางวาญาทางใจทางสัตว์เห็น ก็สามารถทำให้เกิดกายสุจริตมโนสุจริตแล้วก็วจีสุจริตเพิ่มก็ก็แยกอย่างนี้นะว่าทางตาสามทางหูสามจมูกสามลิ้นสามกายสามใจสามสามหกสิบแปดใช่ไหมายคำวาสามหกสิบแปดฉะนั้นสุจริตสามเนี่ยมีอินทรีย์สามวรนั้นเป็นประ h a ฐา แค่นั้นถ้าจะให้สุดจดิตสามเกิดก็จะต้องสํารวมสํารวมในที่นั้นเป็นเชื่อต้องการปิดบาวทางกลา ง, งมือถือบุนได้ถ้าไมให้เห็นรูปแล้วไม่ให้บาปเกิดเราก็จะได้ไม่ทําทุจริตได้ยินเสียงแล้วถ้าปิดไม่บาปเกิดได้เราก็จะได้ไม่ทําทุจริตสาดมา ด, ด, ากดมททดดกลิ่นแล้วถ้าปิดบาวทางจมูกได้ก็จะไม่เป็นปัจจัยแก่ทุจริตสาม กินอาหารแล้วเนี่ยปิดบากทางทาวริ่นได้ก็จะไม่เป็นปัจจัยแก่ทุจริตสามสัมผัสเย็นร้อนถ้าปิดบากสังทาวรกายได้ก็จะได้ไม่เป็นปัจจัยแก่ทุจริตสามคิดนึกเรื่องราวต่างๆถ้าปิดบากสังทาวใจได้ก็จะได้ไม่เป็นปัจจัยแก่ทุจดิตสาสรุปก็คื อ, อว่าถ้าสำรวมอินรีย์ได้ทุดจดิตสามก็เกิดนะถ้าสำรวมอินทรีไม่ได้ ท hmm. you know you know, ุจริตสามก็จะได้นะจริตหรือทุจริตเนี่ยอยู udent, uring, ่ตรงนี้เองนะเออตรงนี้ก็ก็ต้องเราหวังครับคุณบอกว่าพิจารณาแล้วเสกพิจารณาแล้วอดกั้นพิจารณาแล้วเว้นพิจารณาแล้วบรรเทานี่มันจะการบัพได้ถ้าพิจารณาแล้วเสกก็คือของใช้ไหน ไม่ว่าจะอาหารที่อยู่อาใัยเครื่องมืองยาสารโลกที่พิจารณาก่อนค่อย ใ, ใช้ค่อยบริโภคจะกินจะใช้จะปล่อยอะไรต่าเราพิจารณาพอันนี้ก็เลยคำบอกแต่ตอนพิจารณาพิจารณาพิจารณาแล้วเวน้นก็หมายความบอกว่าถ้าเรารู้ว่าอะไรมันจะเป็นบาปเป็นอนุสร์มันจะเป็นโทษเราพิจารณาแล้วเราก็ไม่ไปไม่ทําิ่นะัน มีการผมมีการเชิญมาปุ๊งานเลี้ยงมีการกินเหล้าอย่างนี้ปวนอย่านี้กวนอยู่้หรือถ้าไปก็ต้องตั้งหลังให้ดีเช้าแลวก็้อไปถึงที่จะเชิญขึ้นมาลองป็นทำไมจะลองกัน จะลองยังไงแม่ถึจะเจอเนี่ต้องให้ให้ไปสาธิตหน้อยองยังไงกันวิธีิดหนึ่ท <c oughs> ทงทำยากเลยนะ <c oughs> นมึาางคนเราเก็ไปแล้วสองสาม่องวันเลเอาเลย คือคือจริงๆตรง น, นี้ก็ก็แค่ก็ค่าหาว่าที่จริงมันเจตนานี่สําคัญนะที่จริงที่พูดตรง น, นี้ขึ้นมามันแค่ว่าอะไรว่าเจตนาในาการกราบในกันเป็นประเด็นที่คำคัญทำให้เป็นบุญก็ได้ทําให้เป็นบาปก็ได้ แ, ดแล้วจบไปเลยทีนี้ คามละเมิดสิขาบทที่บรญยายไว้เนี่ยนันที่ได้กล่าวเป็นทั้งเป็นสุจริตทำไม่ละเมิดก็ เ, เป็นก็เป็นสุจริตกันที่กล่าวเนี่ยในมโนโสุจริตเนี่ย อ, อันนักพิจารณาไม่เี่งเล็งอยากได้ของเขาอภยาญาบดไม่ปองร้ายเขาสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกอันนี้ชื่อว่ามโนสุจริตอันนี้กล่กาวโดยการบุตรเนี่ย อันนี้เป็นมโนสุจริตถ้าตงบอกว่าสุจริตทั้งสามประการทั้งกายแสุจริตก็ตีสุจริตและมโนสุจริตนี้เรียกว่าอัปตะคืออัตตะเนี่ยทำาำที่กำจัดความเราหลอนถ้าหาเจริญมากขึ้นมากขึ้นในที่สุดจริงๆในจะเข้าถึงความสุขตัวแปลกจริงๆนี่ยสมาการสุจริตสามเนี่ยทำไปเลยสมาทานกายแสุจริตก็เี้สุจริตแล้วมโนสุจริตเนี่ยทำให้มาก ไม่ใช่สมาทานอย่างเดียวในรู้เหตุปัจจัยของเขาด้วยว่าเออสุจิริสามเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เพราะการสั้รวมมินจีทีนี้การต้องเรามมินจีจะเกิดขึ้นได้เพราะมาจากการวางพระสัตว์ทำดีไหมการวังพระสัตว์ทำจะเกิดขึ้นได้ก็มีการคบสัตว์ปลุกการคบสัตุ์ก็คือการอยู่ในถิ่นที่สมควรการที่อยู่ในถิ่นที่สมควรได้เพราะมีบุญเก่าดันั้นบุญเก่าเป็นปัจจัยอยู่ในถิ่นที่สมควร การอยู่ด้ถิ่นในประเทศที่สมควรก็ทําให้เราพบสัพพุรุนเมื่อพบสัพพุรุนแล้วก็เป็นปัจจัยให้เราได้ฟังธรรมการฟังธรรมก็เป็นปัจจัยให้เกิดโยนิสงศนาสิการโยนิสงนาสิการก็เป็นปัจจัยให้เกิดสุจิริสามสุจิริสามโยนิสมนาสิการก็เป็นปัจจัยเกิดอินทรังอวนอินทรังอวนก็เป็นปัจจัยเกิดสุจิริสามพอสุจิริสามัมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยตาโมทก็เกิด ปติปัสสิความสุขสมาธิยาตาภูริยานัทธสนาณิพิทาเวลาทยมุติวิสุทธิก็จะเกิดขึ้นเป็นไปตามลำดับในะตรงเนี้ถ้าเรามองคําสอนได้อย่างตลอดสายเราก็จะเริ่มรู้ว่าเออเราควรจะสมาทานสุจริตสามยังเพราะเมื่อสุจริตสามเกิดนี่ไงให้สังเกตรงนี้ว่าชีวิตจริงๆเลยนี่ไงเมื่ถ้าหากสุจริตสามเกิดแล้วมีความสุขเช่นหนึ่ง ความคิดที่บอกว่าไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขาเจอทับสมบัติของบุคคลอื่นเป็นตัวเหลานี้ก็ไม่ใช้ความโลภไปลูกเขาคือถ้าจะมองก็มองด้วยจิตอย่างอื่นนะไม่มองด้วยความโลภไม่อยากได้ของเขามาเป็นของตนเองใช่ไหอวิธีคิดคิดอย่างไรยกตัวอย่างเช่นเราเห็นสมบัติของบุคคลอื่นปุ๊บเห็นไหมเห็นเงินทองเห็นทรัพย์สมบัติเห็นบ้านช่องเนี่ย วิธีเคลียร์เก็บเรื่องเนียที่เขามีสิ่งของเหล่านี้เพราะต้องมีบุญคนที่จะได้ในฐานขะั้นเช่นนี้ก็ต้องมีบุญกันนะคนที่เขาจะได้โรคสมบัติพรคทรัพย์สมบัติโพคาสมบัติเป็นต้นเหล่านี้ยบริวารสมบัติอันนี้มันเป็นของคนมีบุญใช่ไหมเออบุญเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี่ยบุญนี่เป็นตามอาวจรไม่เที่ยงเลยใช่ไหมแต่ว่าเออไม่เที่ยงมันก็ให้ความสุขได้ระดับหนึ่งเราพิจารณายอย่างนี้ โลภะไม่เกิดแต่ถ้าไปพิจารณาแล้เราหน้าจะได้มัง่งเนี่ยอันนี้โลภะเกิดอันนี้เป็นอาภิชฌาหรือไปคิดอีกอย่างนึ่งก็คือว่าปองร้ายพยาบามถ้าไปคิดปองร้ายเขาอันนี้เป็นมโนทุจริตเจ้นั้นต้องแผ่เมตตาให้เขามีความรักความปรารถนามีความเพื่อตอนแผ่ให้เข้มงมั่ง ให้เขามีความสุขปราศจากทุกข์มีใจเบิกบานประสบความสุขความเจริญประกอบอาชีพการงานใดๆก็ให้สมหวังอย่าผิดหวังนะท่านใดที่สุดจริงๆก็ไอเขาได้บรรลุพระพริพันธ์กันทุกคนนะเนี่ยคิดไปในรักเทะไหร่อย่างนี้เขาเรียกว่าใจมันน้องไปในการที่เป็นมโนสุจริตในกองแล้วเขไม่เบียดเบียนแต่คิดเป็นสมาทิฏฐิเป็นสมาทิฏฐิก็คือผิ เจรานาตั้งแต่กรรมกัตตาสมาธิเออเนี่ยเขาและเราเนี่ยล้วนแต่ว่าเอมีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นําเนือ่อมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทํากรรมใดไว้ดีช่วยจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนะมถ้าคิดลงอย่างนี้เสร็จเส็จเนี่ยก็เรียกกรรมกัตตาสมาธิเลนเกิดอะไรนะถ้าพระนามองไปอย่างนี้มันจะเป็นไปกับพระนามคำสอนขององค์พุทธเจ้า ทีนี้อาการที่จะคิดหรือการที่จะทําสติริสาวให้เกิดไปในชีวิตจริงอย่างนี้ได้นะั้นน่ยมันต้องเอามาไขครัวเอามาเจริญเอามาบ่มพร่อไม่ใช่ว่าเออเราฟังแค่นี้เราเข้าใจไปเสร็จก็โอ้ถือว่าใช้ได้แมันมันไม่เกิดนะแต่ถ้ามันจะเกิดได้หรือไม่ในี่ยสติสติสามันจะเกิดได้หรือไม่เนะี่ยหลังจากฟังนี้มันต้องไปไขครัวเอามาวิเคราะห์เอามาเอามาทําให้มันงตัวขึ้นแบบนี เขาเรียกว่ามาต้องสวนด้วเลยวถ้าทําอย่างนี้นะในเขาเรียกว่าเป็นการเจริญสุดจิตสาวทีนี้พอสุดจิตสาวมันเกิดมากขึ้นมากขึ้นในที่สุดน่ะเท่าเนี่ยจะไม่ทุกข์เรื่อคนที่เจริญมโนสุดจิตได้ดีดีเนี่ย น, น, นะแล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่ทุกข์ถามว่อยู่ได้ยังไงไม่ทุกข์ ใ, ใจเรืก็อย่าถามนะก็ไม่ทุกข์หรอกทาํำไมไม่ทุกข์ถ้าอยู่ไม่ทุกข์ได้ยังไงเพราึไม่เค่งแรงอยากได้ของเขา สองไม่พยายามบ้องร้ายสามถินถูกมันจะไปยึเหนียยงในทูกใจได้ยังไงใช่ไหมฉะนั้นคนบางคนอยู่บ้านใหญ่โตมโหลานอยู่ห้องแอร์เย็นๆบอกว่าถามเป็นมือทุกข์ก็รุ้มเนี่ยอันนี้แสดงเห็นยันว่ามโนไม่สุดจริตเป็นทุกขจริตทั่นเอทีนี้พอใจไม่สุดจริตมันก็เป็นปัจจัยเกิดตายและทุกจริตวจีกทุกจริตสรุปแล้ววันวันหนึ่งจะทำทุจริตก็ไม่รู้ตัวตัวเองทําทุจริต เมือนเราเดินไปเดินมาวันนี่คุ้มหรือเปล่าเนี่สมมติเนี่ยเดินเข้าหัวแข้งเดินไปเดินมาเรามันคิดว่าเออไม่ได้ทําอะไรที่ไหนได้โอ้โหทำบาปทั้งวันเลยแปลว่านั่งเย็บผ้าอยู่ยังบาปได้เลยใช่ไหมนั่งเย็บไมยเครียดไม่เสรีสิบบนรุ่งทำได้สุดจริตได้แหละคือจริงๆก็คือตรงนี้มันเป็นเรื่องว่าเกิดถ้าเข้าใจเนี่ยจะเจริญสุดจริตเป็น ถ้าไม่เข้าใจก็ก็เสียหายนี่เป็นอี่นี้ไงอภิการต่อไปตโยอกุศลวิตากากามวิตากาพยาปาทวิตากาวิหิงสาวิตากาอกุอกุอกุศลวิตกสามอกุศลวิตกสามด้านหนึ่งกามวิตกความตรึกในทางการม สองพยาบาทวิตกความตริกในทางพยาบาลสามวิหิงสาวิตกความตริกในทางเบียนเบียนวิตกที่ประกอบด้วยการชื่อว่าการว่วิตกวิตกว่ประกอบด้วยพยาบาทชื่อว่าพยาบาทวิตกวิตกที่ประกอบด้วยวิหิงสาวความเบียนเบีย น, ยนชื่อว่าวิหิงสาวิตกอ่าจะอธิบายยังไงตริกในที่นั้นก็คือกิด ติกเนี่ยเติกเกิดคิดนในเดียวกันเช่นคิดถึงรูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยสัมผัสนิ่มๆทามาลมที่น่าชื่นใจอันนี้เป็นตาพวิตรนะฮะถ้คนคิดแบบนี้นทางโลกก็คือว่ามันไม่ผิดด้วยเขาบอกคนที่เพ้มฝันมากๆมีด้วยวา คือจินตนาการยิ่งมากยิ่งดีเมื่อมีจินตนาการมากมากเขาแล้วเนี่ยจะกลายเป็นคนที่มีมโนเขาเรียกว่ามีมีภาพอะไรในใจอยู่ตรงใจใจแท้จริงในการคิดในลักษณะนี้เป็นบาปเขาเรียกการาวิตรความตรึกในทางการมเอ่ยในธรรมะจักรปปัฏฐานาสูตรเนี่ย ท่านสอนเขาไว้ไนหะในในบทธรรมจักพขปวชนะสูตรในสูตรที่บอกว่าเนี่ตยต้สวดจักรไปฟังด้วยเวลาเราเรียนธรรมจักพวะวชนะสูตรนี่นะเอวเม ต, ตุตังมีตังจวะ ทเวิทเวีทวเวณีพิทเวอัตาปปิตเนนเวิต์กตเมทวเวณทเวยโยจายั a การเมตุการมาตุการิการิโยโภวีโนขมโมโ d ตุเชนิโภนาริโยนาตสนิโตแล้โยจายังกัจ n ามาตนโตคือที่บอกว่า โทยเมพิเหเวอันตาปะปะชิตนาณเสวิตภานโยจายังกาเมสุกามาสุข a ริการุโยโคอิโนขัมโมปุจจิโกอนนาโยอนนาตะกามิโตโยจายังนาตะจิลามาทานุโยโคทุโคอนนาโยอนนาตะกามิตโตนะ การมาสุขหายิการนิโยโคคำนั้นเขาแปลว่าการกระประกอบตนเองให้หมกมุ่นในการมาสุขการประกอบตนเองให้หมกมุ่นในการมาสุขเนี่ยนะหมายถึงอะไรก็หมายความนบ้นว่าการตื่น การเกิดในการบรุคุลทั้งหลายการคิดถึงกรรมบุคคลทั้งหลายนั่นเองเด็กถามว่าการคิดถึงกรรมบุณทั้งหลายเนี่ยมันเป็นโทษอยังไงมันเป็นโทษยังไงทวายเมติกเวตาลิกสูุทั้งหลายส่วนสองภาคสองอันตักสับเนี่ยเขาไปว่าภาคเขาบอกว่า การประกอบตนเองเนี่ยการประกอบตนเองเนี่ยนะให้หมกมุ่นในการบรรุเนี่ยเขาเรียกว่าการเสพก็ได้สิ่งที่ไม่ควรเสพคําว่าเสพหมายถึงการศึกษาเราเรียนได้เพราะว่าคําว่าศิลปะที่แปลว่าศิละปะก็ได้ทีนี้เสพในภาษาไทยเนี่ยใช้คำว่ด ก, กินเช่นเสพสุนทรเสตรพติเปตเตอร์อะไรเนี่ย นั้นการตรึกในการบุญทั้งหลายเนี่ยการประกอบเนื่งเนืองซึ่งสุขด้วยกิเลส ก, กรรมกิเลสกรรหรือในวัตถุการมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นของมีอยู่แห่งเจ้าบัเป็นของมีอยู่แห่งบุญชนอันไม่ประเสริฐแล้วก็ไม่ประปอกอบด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์ฉะนั้นการตรึกในการบุญทั้งหลายเนี่ย การตึกในรูปเสียงการหมกมุ่นในการมคุณทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกการมวิตโตการมวิจโตเนี่ยเป็นโทษพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นเป็นที่สุดเป็นทางที่ไม่ควรเสรจไม่ควรเดินใช่บอกว่าคำว่าปุถุชนิโกเนี่ยเป็นของบุรุษชน อานายโยไม่ประเสริฐแล้วก็อานาตสาณีตโตไม่ประกอบคือประโยชน์นะบริโภคไปเถอะรูปเสียกินแล้วสัมผัสทํามันไม่ประกอบคือประโยชน์ไม่ประกอบด้วยพุทประโยชน์เพื่อคูนและปากสุขท่าพูดหรว่ารูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละรูปนั้นเสียรูปนั้นนั่นเธอทั้งหลายล้าได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อคูนใช่ไหม แต่ถ้าเราไม่ละไปคิดไปหมกมุ่นไปนเพ้อเพลิน อ, อยู่ในรูปเสียงเป็นต้นเหล่าเนี้ยอันนี้แสดงว่าหมกมุ่นในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ประโยชน์โดยเฉพาะไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดประโยชน์ต่ำคือความิ้นทุกข์ถ้าไปหมกมุ่นในที่ตัวที่จริงก็จม อ, อยู่ในวัฏจักรจมอยู่ในชาติทุกข์ชราทุกข์มรณทรระทุกข์โศกกาลเทวทุกข์กขทมนาสนาสุการะมันจม อ, อยู่นี้มันออกไม่ได้แล้วมันไม่อิ่แปดจริง ฉันไม่รู้จักอีกถามว่าเราใช้สายตาคู่นี้ในพบนี้มาก็สี่สิบห้าสบหกสิบกว่าปีใช่ไหมถามว่าเคยเบื่อที่จะดูเคยเบื่อไหมบอกใหม่แล้วไม่ดูเไม่เบื่อเลยใช่ไหมไม่เบื่อยังอยากจะดูอยู่นะของนี้ก็ไมให้ดูยเนี่ยคืแสดงให้เห็นนะว่า มันมันไม่ประอกอบเลยที่มันถ้าพูดถึงตรงเนี้ยเราเราก็ไม่รู้ว่าเรารักตาเราแค่ไหนใช่ไหมเรก็อยู่ธรรมดาแต่พอวันใดวันหนึ่งก็ไปตรวจตาหมอก็บอกว่าเนี่ยเริ่มดีใจเลยท่โทาโตทั้งท้ที่เนี่ยจริงๆให้เตรียมคิดไวห้หมดเลยเนี่ยของที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะมันไ ม, ม่มีประโยชน์อะไรเขาบอกว่าเป็นแกงยู่ริสูตนินะว่า เขาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเยื่กระดูกเทียมในกระดูกพิจารณาท่าดินตามน้ำท่าไปท่าลงพิจารณาเนี่ยบอกว่าหนึ่งบ่อน้ำคำหรือว่าสิ่งโสโครสิ่งปฏิกูลมูดและคู่เป็นต้นเนี่ยย่อมไม่เป็นที่ยินดีพอใจของคนฉันไดผมคนแล็ฟันหนังเนื้อกระดูกเป็นต้นก็ไม่เป็นที่พอใจของบัณฑิตจันทเนือง คือจริงๆมันของมันไม่ดีไม <hein> ่งามอยู <Pre> ่แล้วี่เราเนี่ยของคนเล่ฟันหนังเนี่ยงไงโดย่งยัไดเปต้เรา่ยเนี่ยทีมนเป็นเรื่องเป็นเป็นวัตถุการมั้งหลายเป็นที่ต่างของกิเลสการทั้งหลายทีนี้เราเอากิเลสไปมองมันก็เลยมองมันก็ยังดีอยู่เข้าข้างเรเองนะที่จริงจะจใช้ไม่ได้ยังดีอยู่บาจะเดินจะเดินไม่ไหวอยู่แล้ว ยอนะอัอยู่อีกนะหลอกเราเรื่อยๆอีกนนี่เป็นอย่างไงนะฉันรับขณะที่บอกว่าคิดในเรื่องของกามวิตกที่ประกอบด้วยกามชื่อว่ากามโวิตกคือวิตกที่ประกอบไปด้วยกิเลสกามนะกิเลสกามก็คือโลภะพวกโลภะเจตสิกนะที่โลภะที่จริงหนาบอกว่าแต่วัตถุ ก, กามมันมีมันอยู่ไม่มี ม, ม, ม, มีอยู่ตลอดเวลาในรูป โลกสวยๆเสียงก็พราะๆกลิ่นหอมอร่อยสมบัตินิ่งๆเป็นตัวนมีมันอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมแต่ถ้ากิเลสกามไม่มีไม่มีเนี่ยสิ่งต่างๆตรงนี้ก็ก็ไม่เป็นที่รักหรือใที่เป็นที่รักหรือใจเรียกว่ากิเลสกิเลสในใจเป็นตัวผู้นีก็เลยกามวิตกส่วนพยาบาทวิตกเนี่ยคือความตื่นในทางพยาบาท อีกในหนึ่งก็คืออัตชีละมัายาโยกเนี่ยการกระทําตนให้ลำบากหรือหรือการประกอบตนเองให้ลำบากเขาเรียกว่าอัตชีละมัานาโยกตรงนี้ก็บอกว่าคือประกอบขึ้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยในความเล่าร้อน การประ ก, กอบขึ้นความลาบากเแ็่ตนก็เป็นปัจจัยเกิดโทสเสี่ยคือทําน้ำทุกการกระทําความทุกข์ยางพุกให้เกิดแก่ตนเองเนีไงอันนั้นเขาเรียกว่าอัตติระมัทฐานยุยุหรือการกระทำนี้ตัวเองนั้ น, เ, นเป็นไปในทางพยาบาทคิดพยาบาทคิดปองร้ายเขาตึกเรื่องพยาบาทแต่คนที่มีพยาบาทไม่ตกมากๆไงตะเกีิบจิ๊ก็ไม่นะ เมื่อกี้คนพยายามไปพูดกันดีๆก็ยังมองเหี้ยละเมื่อคืนก็มียอมที่เอาตู้นี่มาเท่าเคล่า อ, อีกฝั่งมีการมีการแล้วโอ้ก็แกแกประเภทพยาบาทอีอะวายๆนักเข้านักเข้าไม่มีใครอยู่ด้วยหนีหมดเหลือแกอยู่องค์เดียวเจ้าวาดเดือดจ้าว เออในคนที่พยาาทมากๆจะมีนะกคนี้นหดงดหงิดปรามัณนี้นจะต้องระวังมันเดี๋ยวต่อไปต้องไม่งหงดหีเดี๋ยวนะเข้ามาคนหีหมดเลยเดีวไปเดีเบานที่อยู่คนเดียวว่าคแต่มันล้ายากเลยนงเรื่อความหมดุดหงิดเรื่องพยาบามที่ตกนับมนเคยมันเคยมาตลอ สมัยโบราณามีการรูปนี้นโอ้โคอแกก็คงมีประเคทที่นั่นว่าเวลาสอนหนังสือเวลาจะสอนการทีต้องให้รูเศิษยาไปขานกลงดังนั้นเดี๋ยวแกคว้างเลยไปก็บคว้างมึแกต้องให้ลกศิษย์ใส่พอดใครจะไปถามปัาต้องมาตามอะไรกรันเพราะลูกโกงล็อกแล้วกุญแจไปในใจแล้วถาม พอตอบไม่ได้ก็ขยายรูปโรงเป็นเสือ <c oughs> แล้วยากทีจะจับกระโถนได้ฟ้างนะเข้าสมบูรู์จะเปนเก่งมากเลยทุลาเรืตรงนี้พวกาพยายามบะหาอยู่ได้ไม่ไเมื่อก่อนมันมีคนมาเล่าให้ฟังนันเป็นพราพระผู้ใหญ่กันเนี่ยเน้นก็มีตกเด็กสมัยใหม่ก็มีโทรทัศน์มีอะไรให้ต้องฝึกไมยอมต้องเยอะจะ ไยกไยกเตียวอีนไปทุ่มถึงแบกเน้นก็โ ก, กรธ ไ, ไปปพอมั้งรวยไปแจ้งความไรู้นกันเลยต้องรวยก็มาทำรายพองตทำลายของเขาสิาตแต่ว่าทำไมขออย่าีปที่นี่นะที่อยูฟังคำแต่ว่ามาคิดอีกทีก็ดือ ว, ว่านี่อยาอยาบาปเป็นนี้ คือมันติกในทางพยายบาที่จิตีแรกมันเริ่องดีที่แะไรใช่ไห ย, ยกตัวอย่างนันให้บอกแล้วไม่ค่อยรู้เนี่ยนะบอกไปยากบอกไปคนบางมันหน้าพยายบา่อนเลยเ่าวนเ่ <c oughs> วาในสายระสอนพระมีเนียเอยอปิบายก็ยแล้วก็ไม่เข้าใจเออปฏิบายสองครั้งมาไม่เข้าจสองครั้งสองครั้ง หังตอนนันเขาไม่รู้พยาบาลแล้วเกิดเรืร่องอึ๊บยปลกจริงไงเออเราก็มาเราก็มานั่งคิดถ้าเป็นคิดแบบเราเนี่ยมันน่าโมโหเห็นไหม ค, ไมคิดอะไรเองทาไมอธิบายก็ไปสามสี่ครั้งแล้วไม่เข้าใจเนี่ยนะคิดแบบเราเนี่ยนี่เราลืมคิดแบบเขาหรือถ้าคิดแบบเขาก็คือว่าคนเราเนี่ย มันเข้ากันที่ไหนเขาก็อยากจะเข้าใจแต่มันไม่เข้าใจใช่ไหม <c oughs> มันไม่มีใครเราเม่เข้าไม่มีหรือเองบอกไปแล้วเดยวเราบอกวันนี้จำไว้ในตอนนี้จำไว้เราคีดก็วนี้จำไว้พอที่บายดีกว่ากลับไปจำลื ม, ะลมลอะไรจะไ่ลืมเริ่มเสียใจอะไรลืมอย่าไ้นั่งคิดแค่ น, นี้ไม่ได้อันนี้เป็นพยาบ ไม่ดีคือเรื่องมันดีนั่นแหละทีนี้มันก็เคยตรงนี้เพราะเห็นหน้าคนนี้แล้วมันยังไม่ทันอธิบายล้วเรเิ่มหุนหินก่อนไม่ต้องอธิบายเพรเห็นหน้าคนนี้เดินมาแล้วเริ่มทักทา่าหุนหินนะคือจะต้องตั้งหลับว่าอันนี้ก็ใจยากเราต้องบอกว่าอนี้ก็ใจยากเราเริ่มแล้วหุนหินเริ่มเปรยาบากไม่ดีต้งคิดใหม่ คิดใหม่มันไม่ใช่ไปแก้ไขเขาแก้ไเขเราใช่ไหมต้องแก้ไขเรา็คือว่าเพื่อจะใ้ไม่ตายเนพยายามเข้าใจเขาว่าเออจริงจริงนะเขาก็เต็มที่แล้วแต่ก่อนเราเป็นคนที่มันเป๊ะไงอาจารย์เวลาอยู่มอ่งเรียนไปเรศยนสอนยิ่ไหนมัเนเป็นกวงอาจารย์เข้ามาแล้วโดนแล้วต้องส่งได้รุ้ท่องส่งกันพระเต็มที่นเดร้องไห้หมด แต่เวลาระยะหลังไม่เขบอกว่าคนนั้นตายแล้วตายทั้งนั้นแต่ตอนี้เวลาแล้วแล้วก็แปลเวลาคนอธิบายอะไรไม่แต่พี่น้องแม่แต่รายการนี่ไงเวลาเข้ามาพูดอะไ ร, ราาพวกเนี้จะถามถามก็ถา ม, ถา ม, ถามแล้วตรงๆพวกนู้นทุกคนเงียบหมดเลยอย่างยากตัวอย่างว่าเออเราให้เขาท่องเลยนะใ น, น, นคุณต้องไปย่องมานะเขใจ เขาบอกเท่องเลยนะทำไมถึงท่องได้มีเยือใตางก็แบบนี้ทำไมถึงท่องได้เราบอกมันจำได้อ่านดีกว่าก็ถาอ่านดีก่แค่นี้ไม่ท่องคนส่วนมากก็ทำไมท่องได้เราต้องไม่ไดมันเป็นปกติหรือเปล่าแลก็ก็ไม่มีเหตุที่จะจะนั่งลอยนะในส่วนจริงเขาก็เข้าใจว่าเราผูกคือเราเข้าใจว่าตัวเองผูกมืหมดเลยนะไอ้ฟังเข้าใจกบบหรือเหตุผลต่างๆเราไปฟังคนอื่นเราตั้งใจฟัง แต่เนี่ยในลักษณะของพยาบาทวิตรหนึ่งที่เหตุผลงาจารเนี่เราไปเข้าใจว่าเราเราเข้าใจคื อ, ค, อคือคิดเร็วมากแล้วก็ ตั้งใจตอนอะไรแล้วก็ปองพวกพวกไปหมดอเงียนนะ่แต่จริงๆแล้วมันเขามันมาถูกเรามันไม่ได้ถูกเขาก็เลยเองมารายาะยะหนมันก็มาพิจารงาเคือจริงคนบางคนนี่เขียนยังไงมันได้แค่นเพียงแต่ว่า เ, เราเร า, เราจะมีเมตตาในการที่จะแนะ น, า, นเาเขาแค่ไหนยังไะแต่ถ้ามันไม่ได้เราจยไปทุกข์ใจกัน แต่กอน่ยมันเป็นทุกใจเลยนะคนหนึ่งทำอะไรต้องให้ได้ต้องให้ดีต้องให้เนียบเนี่ก็ทำแบบนี่ทําไม่ได้ก็กลับมาหาวิธีการอะไรพวกนี้เอาวิธีนี้ไม่ได้เอาวิธีนี้วิธีนี้ไม่ได้เอาวิธีนี้คือพยายามเข็นก็ไม่เได้เนเข้าเน่าเข้าก็มไม่เห็นได้ดีด้วยแต่ที่ที่เราในการเป็นอีกคนหนึ่ง <c oughs> เป็นคนเข่งจับ <c oughs> เข่งจับเขาบอว่าพิจารณอดูโอ้อเป็น เม่อวานนี่แหละที่แ น, <arithmetic> นะนําว่ารัฐบาลเขาโอ้นี่นี่นี่ปังสึกเก่าๆได้เกิดขึ้นก็ก็ก็เหมือนล้อประกำเขาก็เลยพูดเล่นกับเขาว่ากเลยแตียิงรู้แล้วว่าด้วยการพิบงพีเราบอกเขาอีกอย่างแต่มันไม่เป็นไปอย่างนั่นขนั่น้าวเราอยากไม่พอความไม่พอใจเกิดนี่นี่เป็นไปยาิ ตึกในทางพยาบาทตึกในทางพยาบาทแล้ง่ายมากกว่การเตึกพยาบาทนี่ไงโดยเฉพาะว่าอารมณ์ใดที่เคยพยาบาทไว้แล้วยแล้วพยาบาทแบบซ้ำใจคืออารมณ์เนี้ยเราไม่ได้ชาระเจราให้ำมันดีไหมเราเห็นคนนเนี้ยเราเคยก็เคยไม่ผูกใจอะไรมาเยอะๆอนี่ไงวันดีเป็นดีวพาเห็นหน้าอเอาใจใหม่กั ยังไม่ต้องอธิบายอะไรเลยนะยังเห็นหน้าเขาพอเขาจะพูดแค่นั้นนะหมโหมอมหพยายามบ่าที่มีเคยมีกําลังอยู่แล้วก็กลับมาส่วนตัวผมมีหรือเปล่าเนี่ยเป็นยังไงจงให้สังเกตดูนะคนที่เคยเสียงกันเนี่ยนะจะไปคุยเมื่อไหร่ก็เสียงม า, า, ยย า, าไม่แปลกนะคือพยาบามบ่มันพยาบามบ่เสร็จอารมณใดที่เคยเสียงกันนะครอบครัวใดนี่นะสามีกรรยายให้สังเกตอย่าแปกใจนะว่าทําไมก็คิดนันเหละหรือว่า คือต่างฝายต่างก็ไม่ยอมเลยก็รู้าาบากันเนี่ยนะแต่จริงๆเขาก็ผูกกันนะก็มีโลภีโศัพท์ใกันอยู่เ่อยวโทศัเขาากอย่างไรเงีหน่อู้ตางายาไม่ยอมกันเหตุผลเยอะขึ้นมาเขาโอ้ใสกันเป็นชุดแต่เขาก็ไปกันได้เนียเขาก็ไปกันได้ตามปกิแต่แต่ดูก็ไม่มีความสุขอะไรเครียดกันทั้งบ้านรักหนังมีพยับามีย ประการต่อมาก็คือวิหิงสาวิตกที่ประกอบด้วยวิหิงสาคือความเปลียดเบียนนั่นก็ชื่อว่าวิหิงสาวิตกในบรรดาวิตกมีวิตกสองอย่างคือการวิตกและพยายาทวิตกนี่นะย่อมเกิดทั้งในสัตว์ทั้งในสัตวขัน บอกว่าเป็นความจริงที่เมื่อคิดถึงสามก็ตามสถามก็ตาม ก, ก, ก, ก็น่ารักให้น่าพอใจการน้องนี่ตกไปยอมเกิดขึ้นคืออย่างนี้นะว่าน้องดับแรกคนบางคนเนี่ยเวลาเห็นพุบเนี่ยโอ้มันน่าดูไปหมดยยเข้าใจไมเออไม่ว่าจะหน้าตาก็ดีคำพูดก็ดีนะแต่บางคนก็าอาจจะแยกแยะกันไป มันมันดีเฉพาะบุคคลนี่ยก็เหมือนที่เราไปดูแถวทางชาวอเม ร, ริกาที่เขาเขาประกวดนางงามนางงามของเขานางงามที่สวยที่สุดในประเทศเขาเนี่ยเราดูแทบไม่ได้เลยใช่ไแต่แต่นั่นแหลมันเป็นการอุ่นถงเขาเขาชื่นใจนแล้วเขามีวังปปนิปโกรอันนี่ปลอยไม่เหมือนกัน แต่นิกรอยเนี่ยผมไม่มีอย่างผมอยกหิปิดหนังหัวถ้ามีกรอยเนี่ยเขาจะต้องไปต่อเส้นผเขาจะใช้เวลาในการไอทำผมเนี่ยไปวันวันนานมากคือเขาต้องต่อต้อเส้นผมต้องต่อเส้นผมเนี่ยเขามีวิธีการแบเนี้มันเป็นหมุนอะไรคือต่อเขาต่อได้เลยนะเขาต่อเส้นผมนี่เขากมีผกรอยเต่อเส้นผมเขาก็ง่ายมาก คือถ้าเขายิ้มมาเรายห็นแต่ฟันนะเว้ยเคียวเขาดำอย่างี้เตะเตะเขาก็ท้องเงานฉะนั้นถ้าคิดถึงศัตรูหรือเราพวกเราหลายคิดถึงบุคคลหรือผู้ทั่มันก็เกิดความรักเกิดความยินดีเกิดความชอบใจเกิดความเพลิดเพลิอพอนอะนั้นก็เรียกวาความวิจดถ้าคิดถึงสังขารเช่นคิดถึงไเสื้อผ้าของใช้อะไรต่างๆ่างอย่างนี้ยนะอันนี้ก็เป็นกามวิรจด บางคนบางคนเนี่ยไม่ไม่ต้องเห็นตัวคนเขาไม่ต้องเห็นตัวเขาแต่เห็นของชใช่ไม้มเห็นของใช้ก็ก็ข อ, ขอใจไปเห็นไหเมื่อกี้บอกว่าไม่สบายใจก็ขอเป็นไงไปดูบ้านก็มองผ่านบ้านไปเรืย <c oughs> อยันนี้ก็เก่ามากี่ตใส่ก็นแล้วทำไมยี่สิบสามสี่ดิ <c oughs> เ น, นี่ย อ, อดิตเมื่อเราเพราะเราเขาว่ามาไม่เห็นบ้านก็นเลยอช่วยช่วยแชรคือเนี่ยลักษณะอย่างนี้คือตัวตัณหามันก็ไปผูกนะไว้บางทีเราไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวภูเขาไปเที่ยวอะไรต่างๆไปเห็นที่สวยๆ ง, งามๆก็ไปชอบไปยินดีไปเสืเ้อเติมไอตัวกามาวิจตมันก็ไปตรึกไปคิด เราคิดถึงอารมณ์นั้นมันก็จะกลับมาวนอะไกตึ ง, งอันนี้เรารักขนาดนี้เพระเาะกลางวิจต์ที่มองดูสังขารเลยหรือมองดูสัตว์เป็นตัวทีนี้ตั้งแต่เวลาที่โรกรธมองดูสัตว์ก็ตามสังขารก็ตามที่ไม่รักไม่ชอบใจจนกระทั่งหยิบจับและสังขารที่น่าใจพยาบาทวิตกไปยำเกิดขึ้นคือคือถ้าหากว่า ถ้าโกรธเนี่ยนะถ้าหากที่ไม่รับที่ไม่ชอบใจรับเทาไอย่เนี่ยพย า, าทยามยบาทวิตกก็จะเกิดไอ้คำว่าพยาบาทวิตกเนี่ยบางทีเนถ้าเราไปดูในวิตตากาศกันหรือในเทวทวีทาวิตตากาสูตรยกตัวอย่างเช่นอย่งางบั้โบธิสัต์ในขณะที่เป็นอยู่ในในป่า ไปเห็นพวกจกัเห็นพวกควางต้องเห็นอะต่างๆนี่ก็เกิดความรักเกิดความยินดีเพื่อเพื่อนั้นเป็นการอุติแต่ต่อมาก็เห็นพวกเสือเข้ามาไล่จับควางไล่จับนุษยไล่จับอะกระตายหรือตัวอะไเนี้ยก็เกิดความสงสารเพราะความเป็นต้นแต่การนึกพยาบาทเสืออันนี้เป็นพยาบาทที่โตไหมเวลาเขามาในหมู่บ้านจะไั้งไง เห็ชาวบ้านโดยทั่วไปที่เขามีการเป็นอยู่ดีนี่ก็เกิดการอาวิตกคุ้ชื่นใจเกิอความเป็นอยู่ของมนุษย์ของแรงต่างนี่เป็นอยู่ดีนั่นนั่นคนที่เป็นระดับผู้บริหารทั้งหลายเขจะคิดลักษณะนี้เลยชาวบ้านเขามีการเป็นอยู่ดีนั่นเศรษฐกิจดีเป็นตัวอะไรนี่นะอันนี้ก็เป็นการอาวิตกแต่พอภาวะเศรษฐกิจไม่ดีโดนเบียดเบียนโดนรังแกต่ากเอาไปยุบอีกที่แท้จริงน่าจะเป็นโรดนาไม่เป็นเป็นไปยุบ แต่ในพยาบาลคนที่มาข่มเหงคนที่มารังแกคนที่มาเอาปืนแต่ที่เจราลักษณะ น, นี้อย่างนี้ถือว่าใจไม่จริงไม่เป็นกุศลใช่ไหมถ้าทั้งที่คนในโลกใบนี้ยเรามองดูแล้วก็น่าจะน่าจะเออน่าจะถูกต้องน่าจะคิดถูกใจจริงคิดไม่ถูกส่วนวิหญาณสาววิตกเน่ยย่อมไม่เกิดขึ้นเธอเขาไปเขาบอกว่า วิญญาณสาวตกเนี่ยนะความตรึกในทางเบียเดเบียนลักษณะของความคิดที่เหียดเบียนเนี่ยวิยวนะญญาณสาวตกเกิดขึ้นในสัตว์เลือดที่คิดว่าสัตว์พวกนี้จงสูบฆ่าจงขาดศูนย์จงพินาศาปจงยังจงอย่าง น, น, านี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะว่าถ้าเราไปเห็นนู่นเสือนี่มันไล่มันเที่ยวไปนากับกาวามเป็นต้น เห็นในงูพวกใกล้กินหนูกินกบเป็นต้ น, นไม่มีหน้าดีแล้วก่อนอันนี้เป็นมีอีกสารแต่ไม่มีหน้าเป็นมีเลยเกิดมาเพ่มาเบียดเบียนใช่ไหมหรือเห็นพวกอไอ้มดปลวกเะไรต่างมันขึ้นบ้านโอ้โหน่าเนี้ยคิดเบียดเบียนนะคิดเบียดเบียนอันนี้เป็นมีอสารหรือบีงีคนบงคนเกิดมาแล้วทําไม่ดีเอะแม่ เกิดมาทำใมไม่น่าจะเกิดมาเลยต้ น, นนั้นเนี่ยที่จริงหักการเป็นคิดแทงเขาเองเป็นผูหญิงสาววิตกเพราะจริงจสิ่งต่างๆเหล่านี้มาด้วยกรรมแล้วเขากำลังทากรรมเขากำลังรับผลของกรรมอยู่เราอย่าไปคิดให้เขาเป็นโ น, น่นเป็นนี้หรือไปเบียดเบียนเขาเช่นเบียดเบียนให้เขาหายไปให้เขาสับสูนไปให้เองมีงานเป็นไปเป็นก้อนอะไรก็แล้วแต่หรือขออยากเขาเบียดมีแล้วตัดเขาเป็น น, ททนี่เป็นต้อนอะไปเป็นเบียดเบียนเา นี่คิดแบบนี้คิดเบียดเปลี่ยนเขาปกติเขาก็เป็นอยู่ของเขา<ๆ>เขาอยู่ดีใช่ไหมความเป็นอยู่ของเขาคือเขา ah, จะต้องหากินก็อะไรสั่งแล้วก็ไปคิดเปลี่ยนเบียนเขาเขาจะยังไม่ใชปคิดเบียดเบียนเขาที่จริงก็คือว่าเอา๊ะถ้นั้นเราจะคิดยังไง<ๆ>เขาบอกว่าให้คิดเนื้อคำวิโตกคือตึงออกอย่ กายบาววิตกตรึกออกจากกายบาวแล้วก็อวิหิงสาวิตกตรึกออกจากการเบียเียนวิตวิตกที่ประกอบด้วยเนคขมมะคือความออกจากการที่ว่าเนคขมมะวิตกเนคขมมะวิตตกนั้นจากเราเป็นกางอวจรเนี่ยเป็นปุปภะของอสุภะฌ า, าจักเป็นรูปอวจรในอสุภะฌา จัดเป็นโลกรุตระในเวลาที่ทำฌานนั่นเป็นพื้นฐานแล้วเกิดมะกุลคือเนคขมะวิตกเนี่ยโดยศาสตร์เขแปลว่าการออกออกจากการคิดนี่ยคิดยังไงคิดออกจากการคิดออกจากกกกาารออคิดจลูกออกจากเสียงออกจากกลิ่นออกจากรถออกจากรถทับเคยเคยคิดไหยเออเราจะต้องออกจากสิ่งเหล่านี้ให้ได้ ถ้าเรายังกลัวพันอยู่กับลูกเสียกิน ล, ล, ลดร่ำบัตรเนี่ยเราก็เป็นพี่ข้าอย่างเนี้ยเราก็จะต้องมารับใช้เราจะต้องมาเป็นพี่ข้าเราจะต้องม า, บบาลำบากตากตอมเราจะต้องมาทุกข์ยากในสังสารวัฏทานกับชินทันเนี้ยเพื่อเดี๋ยวเราตัา้งหลักแล้วออกจากกานี้ม่ว่าเป็นเน่ฆมาวิตกทีน่นี่เน่ฆมาวิตกเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นกามาวิจรเป็นคิดในเป็นการแต่มันเป็นปุกภาะของอสุภะ ก็หมายความว่าเมื่อคิดในลักข น, นาดนี้ต่อไปมันจะได้เจริญนะมองสิ่งทุกอย่างแล้วจะได้จะได้ละอาลาคษณ์ในสิ่งนะั้นคือแม่้อัตาท่าเกิดเนนะี่ยแม่้ความยินดีความเพลิดเพลินความพอใจเกิดขึ้นในอารมณ์ทั้งหลายก็พยายามยละความพอใจละความยินดีละความเพลิดเพลเหตที่ต้องละความยินดีละความพอใจละ ความเพลิดเพลิ้นก็เพราะว่าจะได้เป็นพื้นฐานแก่การออกจากการมใช่ไหมเราคิดดูว่าถ้าเรายังหมกมุ่นอยู่ในเรเราบุญเนี่ยมันจะเหนื่อยอีกในสงสารละวัดอีกเยอะถ้เราคิดแบบว่าเอาไอ้ไงเราไปละเลิกไม่ได้มันไม่ไดอยากใช่ไหมแต่ว่าโดยหลักของความนิ่งไม่ใช่ทีนี้ถ้ า, ากลับเป็นโลกุณาล่ะถ้าสมมุติว่ า, าได้ฌานไอ้ต้ทางก็เป็นเนื้อาวไม่ใช่ความระเบิดออกจากการม ตัวชางนั่นก็เป็นเนี่ยตัวปฐมชางที่เดียการปฐมช้างในู่โดยากานปฐมช้าถ้าเอาชางนั้นมาเป็นบาสเอาชางนั้นมาเป็นพื้นฐานแล้วประเจริปรัจจนานก็จะเป็นปัจจัยการแทนตลอดสัจจัแทนตลอดทุกเหกา ร, รกำลังรู้สมูทัยด้วยการละนีโดด้วยการทาแจ้งรอ ม, มักด้วยการยืนนี่ก็ก็จะเป็นไปลัตนนั่นฉะนั้นในลักษณะของเนคำวมวิตกเนี่ย ควรทำให้เกิดขึ้นเลยในชีวิตจริงต้องควรทำให้เกิดขึ้นคือปกติเนี่ยถ้าถามว่าชีวิตของเราท่านทั้งหลายเนี่ยช่างนานในเรื่องเก่าเลยคิดในเรื่องของนเรามาคุณอุชมนานมากสิ่งสวยๆงามๆอะไรต่างๆานี้แต่พยายามว่าคิดออกการคิดออกจากกรรมกุณ ทีนี้ประการต่อมาเราวิตกที่ประกอบด้วยอริยาบาต์ชื่อว่าอริยาบาตราวิตกอริยาบาตราวิตกนั้นจะเป็นการประจานเป็นตัภฆ่าของเมตตาชั่นตรงนี้ก็คือว่าอริยาบาต์ก็คือเจริญเมตตาการจะเจริญเมตตาในศักดิ์และสังขารในทุกๆอารมณ์เนี่ยคือตรงนี้ถ้าคนที่ชำนาญจะเนจริญได้ แล้วแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเป็นสิ่งที่ควรต้องเจริญให้ต่อเนื่องเช่นที่เราสาธยายไปเมื่อวานสุขีโตโหมีหางอวิโรโหมี่หางอริอยาปโชโหมีหางมณีโหมีหางสุขีอาตน า, า, า, ต, า, าตัวยานั้นแล้วก็ปิยาเมสุตาตหัวตุลิตโอหันตว่าคือทํำไมจึงต้องเร่งในการที่เจริญอริยาปฏาิทโต เพราะว่าถ้าใจไม่มีเมตตาใจก็จะ เ, เป็นพยาบาทให้สังเกตว่าพยาบาทเนี่ยมันไม่ใช่มีศัจตังขานมันไม่ใช่มีสัจเป็นอารมณ์อย่างเดียวมีสังขามเป็อนอารมณ์ด้ยวยนะยกตัวอย่างเช่นว่าเรากลับไปในบ้านเนี่ยเราเห็นพื้นบ้านไม่สะอาด เห็ใ น, นในสวนไม่สะอาดเในที่ดินบ้านไม่สะอาดเห็นผ้าไม่สะอาดแค่นี้มันก็เป็นปัจจยแก่เพียบเทราะต่างตวนะสิ่งต่างต่างเหล่านี้มันประ เ, ะเกิดอนี่มันถามว่านี่เราจะเป็นข้ามได้ยังไงจริงจมันมันไม่ใช่หรอกแต่เป็นเรื่องต้องทําความเข้าใจแล้วก็จะต้องเจริญเมตตาเยอะยิ่อยู่ที่เห็นว่ไม่สะอาดมันก็จะต้องไปทำต้องไปจัดเกแ็บต้องไปอะไรตามหน้าที่ แต่อย่าให้จิตมันเกิดเพียบบัตรแต่ต้องให้จิตเป็นไปกับเมตต า, าในการทำอันนี้เป็นการบ่มเป็นการอบรมเป็นงานเจริญเมตตารูต้นถ้าถ้าเจริญเมตตาอย่างนี้ได้ยังต่อไปเมตตามีกําลังมากขึ้นนี่เป็นนี่นะเขาเรียกว่าจักเป็นรูปาวจวรในเมตตาฌานคือในพระารรมฌานเะนี่ยก็จะ มีปียะนาปัจจัตวตวะไปจาิรสทุตยานาและก็จายานนี่จะจเป็นรปาจรในในเมตรยฌานและการเจริญอภิยาบบวิตกเนี่ย เ, เป็นปัจาญเป็นพื้นฐานแก่การเจริญนิปนาแล้วก็บรรลุมากุลอย่รลืมนะว่าเออมาา่มาสายมาสายนี่ขามากต้องรเลยหือออกจากามีไหมออกจากามลยนะ เจริอาสุภะกรรมถานนี่นะพิจารณาเห็น้วยความไม่งามตาผมผลเล็บปันหนังเนื้อเย่อกรดูกเย่อในกระดูกม้ามใจไตตับปอดในือดโดยความไม่ของไม่งามเป็นอสุภะไม่สวยงามออกมาเห็น้วยความไม่ยินดีไม่น่าเบื่อเพนเป็นตแล้วทํามชาต้เกิดขึ้นแล้วอาชาเป็นบารมีงานเจริญวิปัสสนาได้บรรลุมาผลเีโสดาปริมาณเป็นต้นได้อันนั้นออกมาสายมีธมะเมาสายมีตาเราเลยสายอภิยาบั ก็หมายความว่าเจริญเมตตายังบรมมัญเป็นต้นให้เกิดขึ้นเป็นต้นได้และอางนีก็หะเป็นบาปงานเจริญวิปัสสนาแล้วก็ได้บรรลุมรรคผลไปแ้วเนี่ยคนบางพวกมาสายเนสขมารก็บรรลุบางพวกก็มาสายอาพยาบาที่เจริญเมตตาก็รู้ส่วนวิตกที่ประกอบด้วยวิหิงสานั้นชื่อว่าวิหิงสาวิตกเอาวิหิงสาววิตกนั้น จัดเป็นกรรมมากระจอในปุพพภาติกรุณาอาวิหิงสาจัดก็เป็นกรุณากรุณาเนี่ยก็แปลว่าอะไรแปลว่าสงสารคิดจะช่วยให้คนทุกข์ลักษณะของกรุณาเนี่ยเมื่อเห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากหรือจะตกทุกข์ได้ยากในอนาคตเนี่ยจิตใจตองสาทุชนคนดีทั้งหลายมันทนอยู่เนี่ยมจะต้องคนหวายในการในอันที่จั ด, จดช่วย แต่กรุณานี่ต้องระวังอย่างมันใกล้กระทมนะครบบางทีเนี่ยกรุณาไปกรุณามากล้กระทมนะถ้าอย่างถ้าถามว่าเออ ก, กรุณาเนี่ยอย่างเราท่านทั้งหลายที่มองเห็นตึ้งงานอะไรกันอยู่ยจะเริยนกรุณาให้กันได้ไหมครับอาจได้ย่างไงก็พิจารณาดูหน้ า, น, าน่าการุณาใช่ไหม พอเกิดมานี่ยเอยังลำบากจะต้องมีกิเลสเป็นตัวผักใสแล้วจะต้องเป็นไปในสังสารวัฏเนี่ยพอคิดในลักษณะนี้ก็ตั้งก ร, รุณาจิตนี่เกิดขึ้นเพราะออเนีว่ายังไม่พ้นจากทุกข์กันนะเนี่ยจะต้องะระยิบระยลอนไปในสังสารวัฏกีกยาวไกลก็เกิดพอคิดอย่างนี้ก ร, รุณาเ ก, กิดกรุณาก็อื่นด้ก ร, รุณาตัวเราเองด้วยที่เรื่อนั้นแต่ไม่ได้คิดไปคิดมาแล้วไปนั่งร้องไห้อันนี้เป็นโน้นะ เจอตะลางใกล้ใกล้เจ้าทองนะเหมือนนางวิสาขานที่หลานตายแล้วก็ไปร้องไห้ร้องไหยย้ไปต่อพระพุทธพระเจ้าประทาวดูก่อนวิสาขานี่ถ้ามีสาวกที่มีหลานเป็นเบงวดนี้เจะสานจะสกได้ไหมไม่ได้เพฉะนั้นสังขารมันเป็นอย่างนี้เลยคือสังขารมันเป็นของมันอย่างเนี้ยโดยสภาพของมันเนี่ยเราไปจัดแจ่งไปปรุงแต่งไปอะไร ต, ต่างๆมันไม่ได้ ถ้มันมีได้เหตุได้รัจจัยมนเกิดจะเกิดขึ้นทั้งหมดเหตหมดปัจจัยมันทำเนี่ยสั้งขารที่นั่นนั่งเนี่ยนะอันนี้มีเหตุมีปัจจัยอันนี้เป็นไปอยู่เนี่ยทั้งหมดเหมดปัจจัยทั้งนี้จัให้มีอยู่ให้เราเห็นเลยจับให้มีอยู่ให้เราเห็นเลยแล้วเราก็เห็นทั้งหลายที่เคยต่างๆมาอาจจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนฝูกเป็นพ่อแม่สังหายเหล่านั้นแต่ก่อนล้วก็เคยเห็นอยู่แต่เหลนี้ไม่มีใช่ไหมมังหายไปไหน เนี่ถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็จะโอ้สังขารที่มีนี่ดีแต่ว่าด้วยการที่ไดนไม่ได้นํามาให้ควรบ่อยๆเมื่อไม่นำมาให้ควรบ่อยๆก็ ก, ก, ก, ก็ไม่เป็นปัจใจัยในการเติมฉะนั้นในการเจริญอวี่หิงสาวิตกนั้นก็คือเบื้องต้นก็คือเจริญจรูนาที่เป็นไปในกาลอาวจรอจรุณาที่เป็นไปในกาลอาวจรเนี่ยในที่สุดจริจะเป็นปุโปรภาปุราพภาของ กรุณาในรูปาวิชฌในปฐมฌานทุกติยฌานตัติยฌานฉะนั้นการที่จะทํากรุณาฌานให้เกิดขึ้นมาได้หรือไม่มันเบื้อพื้นฐานเบื้องต้นก็คือว่ากรุณาเจริญได้ถูกหรือไม่นในชีวิตจริงๆนั้นซึ่งซึ่งน้อยคนจะเจริญกรุณาถูกถ้าไม่ได้ศึกษาให้ก็จะเจริญกรุณาไม่ถูกเช่นน้นําท่วมไฟไมหม อ, อเกิด อุบัติเหตุต่างๆก็เห็นโอ้หน้าสงสารนั็นไปนั่งดูน้ำตาไหลเลยมีต้นอันน pues ี้ไม่ใช่กรุณาไม่ไม่น้ำตาไม่ไหลช่วยคิดช่วยเองเพราพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนแต่บางคนมีกรุณาเป็นเป็นในกระแสจิตเลยไปเจอโยมท่านแค่บอกผมเป็นตั้งใจแต่กลัว เวลาเห็นเขาเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากเ่ยผมจะต้องช่วยมผมจะต้องช่วยแต่ก่อนผมก็มไม่รู้ว่าเป็นกรุณาแท้จริง ย, ยังไงรู้ว่าแต่พอมาศึกษาผมกมม็รู้ผมเป็นคนกรุณ า, าคนเคนึมีลุก น, น้องมีอะไรเยอะมีจะช่วยส่งข้อช่วยอะไรต่างๆสารพัดเลยเนี่ยนี่คนทีกรุณาจิตแล้ะก็มีอยู่อยู่เยอะนคนในสังคมที่ว่า มีคนนึงที่เคยมาเล่าเขาเป็นลูกจ้างไอ้นี่ลูกจ้างอยู่ร้านซ่องรสัส เ, เขาจะจูงเขาก็จะจูงมือคนแก่ทำเป็นเหมือนทุกอย่ข้ามข้าอะไรข้ามไอไร้ที่แกทําก็ไม่รู้แกก็ไม่รู้ตัวมีคนมองแกอยู่นี่ก็มีเท่าแก่คนนึงมองแกทำอย่างนี้อยู่สามปี ไอเจ้าแก่คนนี้เลยยกลูกสาวคนนึงก็มานั่งเล่าเดี๋ยวจะลองไปจงบ้าันที่จะได้นี่มันต้องทำเกิดใจจริงมันไม่ได้ทามันไม่ได้เกิดขึ้นะรพ่อใหญ่ก็ททาแล้วก็อยากจะทาบ้างเนี่ไม่ได้เกิดขึ้นวันที่จะพอยเฝ้าไม่จูงไปเดี๋ยวใจกับสาวอยู่บนมองกรนีไมันใจรู้นะแกก็ ที่กรุณาแท้ๆเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นโดยหวังหวังผลเพราะไอ้คนที่จูงจูงหรือไม่เคยคิดนะว่าจะได้ลูกสาวโตแก่จะพองหลานเพราะมันมันทำด้วยใจกรุณาถ้าทาเจอคนแก่ก็จูงบางคนบางคนเนี่ยเวลาเจอไอ้เจอเด็กๆ ก, ก, นนนก็ก็จซูฆ่ามันหนุนเด็กเล็กๆถึงจะฆ่ามันหนุนก็ เนีย <c oughs> คิดไปคิดมาไงจริจริงตนเองอยากจะข้ามเรีวเด็กบางหน้าวะไม่รู้จุนาจริงหจะข้ามนะ <c oughs> เลยหรืองทีที่จับจูงคนตาบอดไอ้คนขับรถแทนที่จะว่ายนะัง น, นี้ขอบคุณใช่จริงตัวเองข้ามไม่ได้สักทีก็เลยเจอคนตาบอดได้จับ <c oughs> จับแขงคนตาบอดแลเด้เตนเะล <c oughs> ยไม่ ร, รู้จขึ้นา เห็ว่าจริงๆง้อมันมันไม่ได้อยู่ที่รูปแบบนะไอเจตนาเนี่ยกรุณามันอยู่ที่ตัวเจตนาไอเจตนาในการที่จะทํานั้นด้วยด้วยจิตใจที่แท้จริงมีความกรุณามีความปรารถนาดีมีความอยากจะช่วยเขาบนทุกทีทีนี้ถ้าช่วยไม่ได้คนที่จะเกิดกรุณาถูกเนี่ย น, นะจรเกิญอาภิยิ้งสาถูกเนี่ยเขาเขาเขาไม่ทุกอย่างที่ไม่ทุกใจเพราะว่าเขาสามารถที่ จะพิจารณาเรืร่ อ, องกองยืนด้วยได้พบเจอทีนี้กรรณาจึงเป็นฐานของโลกุตระได้ด้วยคือเมื่อได้ทานแล้วก็เอากรุณาทานนั้นเป็นบาปเป็นฐา น, น่งการเจริญวิปัสสนาเมื่อเจริญวิปัสสนาก็สามารถบรรลุมรรคผลไนดะ้มีแย่นี้นี่ไ เ, เมื่อใดเมตตาเป็นตัวนามเมื่อนั้นทำสองอย่างนอกนี้ก็ย่อมเป็นตัวตาม เมื่อใดกระดูนาเป็นตัวนามทำสองอย่างก็เป็นตัวตามก็คืออย่างนี้นะในในเกี่ยวกับในเรื่องของอะโลพาถามว่าเน่ขมวิตกเนี่ยองทำได้แก่อะไรได้แก่อัโลพะคือความไม่รู้เน่ขมวิตกนี่นะถ้าถามว่าได้แก่อะไรก็ได้แก่อัลโลพา คือความไม่โลภความไม่โลภทำที่เป็นปฏิปักษ์สโลภาเนี่นี่อาิยาบาทวิตกเนี่ยก็ได้แก่เมตตาอาวิหิงสาวิตกก็ได้แก่การุณาเห็นไหมฉะนั้นจับเนี่ยก็ร้อนเน่ขมามิตกก็จริงจริงจริงก็คืออารมณอพาเนี่ยคอความไม่โลภอาภยาบาทวิตกก็คือเมตตาอาวิหิงสาวิตกก็คือกรุณา แต่ถ้าหาเวลาใดนี้นะ้นได้คำวิจตุลอโลพาณนำเมตตาแล้วกุยิสตาเอาอิสตาหรือกรุณาพัสสาวถ้าเมตต า, ปาเป็นนำอโลพาแล้วกรุณาพัสสาวถ้าหากการุณานำอโลพาแล้วเมตตาสสาวก็จะเป็นใจเจอ า, จาอนะอการอย่างนี้เนี่ยอาการต่อไปจะขึ้นทํำไมบวนหนึ่งาง ย, ยุตโยอกุสะสังกปะกั วิญญาสังกับโและตก้ง อ, อุสรสังกับเข้าแปลว่าภาคุสลสังกบป่าสามหนึ่งการมาสังกับปะาความดาริในทางการสองปยาบาตสังกปะดําดำริในทางปยาบาัตสามวิญญาณสังกปบดําดริในทางเดียวกัน สังกัปปะในที่นั้นก็คือเป็นตัวมิจฉาทิมเป็นตัวมิจฉาทมดังนั้นการมาสังกัปปะตัมรีดในทางการพยาบาทสังกปปะตัาามหรีดในพยาบาทมิิงสาสังกปะัมหรียในในการเรียนเนี่ยก็คือการมวิโตปพยาบาทวิโกปมิหิงสาวิตนั่นแหละอันเดียวกันแต่ศัพท์เรียกต่างกันเห้ไห ในที่นี้เรียกสังกป่าทีน่น้เรียกวิตรแต่ก็คถือเป็นมิจฉาวิตะเป็นกามมาสัางกป่าดัมรีดํารี ก, กับตึกกัเดียวนะต่างเดียวแล้เป็นสักคำเรียกเหมือนกันดัมรีหรือตึกเาบอกว่าดําบีดํารีเนี่ยทีเราบอกว่าที่จริงโดยหลักคำนี้ก็คือคิดใน คิดถึงการคิดถึงพยาบาทคิดถึงการเดียดเดียนั้นในยาการทางามเข้าใจและอธิบายก็ข้อในย่าเดียวกันกรณว่าเป็นสังกัปาเป็นธรรมะที่มีผลเจริญเป็นธรรมะที่ควรละ่ส่วนระยะตรงข้ามก็คือเน่ม้าสังกับปากดำรออกแกกรรมพยาบาทสังกับํากออกแก่พยาบาทเขามีสังสังับปากดำรออกกามเดียดเียนันนี้เป็นกุศลสังกบปากสั กุศลสังกัปปะสามในตัวเนี่สําคัญมากตัวสังกัปปะที่เป็นกุศลสังกัปปะเขาเรียกตัวสมมิเตสมมาสังกัปปะมากเขาบอกตัวสมมาสังกัปปะมากเนี่ยอุปมาอย่างนี้เหมือนเรามีเหรียญ่ยเอาเหรียญบาทใส่ไว้จมืูกถ้าเหรียญใส่ไว้จมือเนี่ยมันจะดูได้ด้านเดียวถ้ามืออยู่เฉยแต่ถ้าใช้นิ้วขิดเหรียญไปมามันจะดูได้ทุกด้านเลยด้าน ข้างหน้าได้หรือข้าดูได้หมดชั้นใดตัวสัมปะปาเนี่ยมันเหมือนกันเิี่ยวมือมี่คอยสิ่งดีไอตัวนุ่มจังรวีฉะนั้นเมื่อสัมมาอิทธิเกิดขึ้นมาแล้วเห็นถูกเนี่ยแต่การเห็นถูกจะเกิดขึ้นได้หรือไม่เนี่ยต้องอาศัยสมาสัมปะปาคือเนคขมาสัมปะปาอัพยาปสัมปะปาและวิิีสารสัมปะปเป็นตัวจํงหวี เป็นตัวพิษเป็นตัวที่เข้าไปจัดจ่อแนนาลม บ, บนบนแล้วก็กระทบกระทัา ง, งอารมณ์นั้นบนบนนั้นวิตกเนี่ยร้องการในขนาดว่าที่ว่ายกจำไปยุติธรรมขึ้นสัวลมคือคีตาลมถ้าเป็นอุบมาว่าตัวคนที่จะทำะาารงไม้ชานีนะห้ตัวมาถงไม้ชานนั่นถอุบมาว่าเหมือนกับคนที่เหมือนราชองค์พระักษ เวลาเรจะเข้าเป้าพระราชาหมายกระตันจะต้องอาศัายวิราชใอุปกรณ์หนึ่ง น, นำเข้าเป้าใช่ไหมเพราะสามารถจะรู้ว่าเออเขารวลาชาประ ท, าะทับอยู่ยังไงเดินเข้าไปทางทิศไหนเป็น ต, ตัววิศกเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยทีเดียวจะแทงตลอดจะจับเป็นต้นได้เนี่ยก็จะต้องอาศัายตัววิศก จะต้องอาศัยวิธ so, ีแบบนีน so. so ี่เป็นอย่างนี้เนียก็ไม่ต่างอะไรจานที่ได้กล่าวไว้แล้วประการต่อมาจะคือปิตโสอุติลาสัญญากรมสัญญาพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาอคติสมสัญญาจอันนี้เรียกกรมสัญญาความกําหนดหมายในทางกรรพยาบาทสัญญาความกําหนดหมายในทางพยาบาทวิหิงสาสัญญาความกําหนดหมายทางเยวกัน กามสัญญาสัญญาที่ประกอบไปด้วยการเลยกามสัญญาสัญญาที่ประกอบด้วยาบาตเรียกว่าบาตรสัญญาสัญญาที่ประกอบไปด้วยวิญญาณเรีว่าวิญญาสัญญาทีนี้สัญญาเนะี่ยมันมันก็คือก็คือพวกวิจดนะแต่เน้นว่าตรงนี้เอาสัญญาเอาเป็นประทา น, านเอาความจำเช่นจำในเรื่องของการได้โอ้โหจำใ น, นแม่นยา ม, มาก ครเช่นไปเที่ยวหรือไปเคยได้เห็นลูกสวยๆเ ส, ยสยียงพอกลืบขอ้งห่อที่ไหนมาก็ฝังใจออกมาเล่าอยู่เั่นหละหรือว่าของชิ้นไหนที่เก็บไวน้นะที่มันชอบเน่เก็บไว้ตรงไหนก็จำได้เใครเคยถึงขนาดนั้นมีมี ม, มีมีคนบางคนเนี่ยก็อบอกว่า ขนาดเขาเก็บขอ ง, วงขไว้ถึสิบปีเนี่ยเด็ก็จได้วางไว้ยังไงเขาก็จาได้เพราะว่าจำขนหมดทีเด็คือจามันไม่ได้จิดเนี่ยแต่ว่าจาแบบกลางว่าสัญญาณคนในอย่างเนะี่ยจำแล้วมันก็มีความสุข <จำ S 1> ใช่มมีความสุขมีความเพลิดเพลินมีความยินดีมีความพอใจ ที่จริงการจํามันเป็นเรื่องที่กิจสติเนี่ยนถะ้าจะจําแบบหนึ่งไงแต่จําแล้วมันเป็นปัจจัยเกิดราคะอยู่จำมันเป็นปัจจัยเกิดราคะความกําหนัดความยินดีความด้วยเกิดแต่ น, น, นี้เป็นการมัสัญญาเนะี่ยอย่างเช่นความจําในเรื่องพยาบาทกอดกันในเด็กๆในแ็กแล้วไม่ลืมนะเนื้อเสียก็ตัวเนื้อเสียก็ตัวเอียงเป็นพยาบาทสัญญานะี เข้าใจไหมว่าในเรื่องแบบที <Yeah. S 1> right. ้ต so, We hmm. ่างที่มันเป็นสิ่งไม่ดีคือไปจํามาได้จนตั้งนานบางคนจําข้ามชาติเลยพราะยนหน้าพบนี้ไม่ชอบเลยไม่รู้เป็นอะไรอะไรเงี้ยสมมติเพราะเพราะเวทจำไปบาดทะยานข้ามชาติก็ก็เป็นศัตรูก็เป็นอย่างเงี้มนุษย์เราเนยเป็นอย่างงี้นะบางทีเป็นศัตรูกันบางทีก็อยู่บ้านหลังเดียวกันเนี่ย บางทีเเป็นพ่อแม่พี่น้องเป็นสามีภรรยาเป็นอะไรแต่ว่านะเข้าโขดกันทะเลาะกันแต่เป็นสัตวูนะเข้าอยู่คนละเมืองยกกองทัพใสกันคนลาชาติเมื่อแต่ก่อนก็นเคยเกี่ยวข้องอะไรเอะมัน <c oughs> เป็นยางไงนะนี่มันแ ล, ลึกมันไม่ออ ก, ออ ก, อาากเล ย, เยเเเมนนไม่ได้ถ้าจากเบาะกล้วเลึกได้เดียวโหเราเนี่ยมันมีทางใครอะไรอย่างเงย้ยคิดเป็นนี่เลิกไม่ได้ยาวนานจาัดวันตามมันยาวนาน การมาสัญญาในความกําหนดหมายในทางคันคือจําจําแล้วก็เกิดความยินดีเกิดความเพลิดเพลินตรงนี้มันเป็นโทษยังไงยกตัวอย่างพกตุมนาการาสัญญาอ้ไรไหมนะสมมุติว่าเวลาจิตใกล้จะตายไอ้สิ่งที่เราจํามันจะมาผลเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะผเกิดขึ้นพุ๊เนี่ย ก, ก็เหนื่อยเสร็จแล้วก็วนเวียนอยู่ไปไม่ได้จริงแต่เพราะ ก, การมาสัญญาเนี่ยหรือบางทีก็โกรธ ความจะตายเขาก็โมก็เหมือนมีคนคนเปื่องกรรมอเไรต้นอย่าคือกแก่แก่แล้วก็เป็นคนที่ใหลงไหลเรื่องกามอยู่ขนาดกลยวจะตายแล้วเนี่ยนะก็ต้องก็ต้องหาคนที่เป็นผู้หญิงหน้าตาดีๆมาค อ, อยดูเ แค่นั้นแกก็ร้องแกไม่ยอมที่แกร้องร้องร้องงุ่ยร้องคืบท้นี้จ้งจางเขาบอกจึทั่วทั่วไปจะไม่มีใครที่จะอยากไปแล้เพราเขาก็เบื่อพกพยาบาลยังไงเขาไม่เขามาเล่าดีกว่าเขาไม่เอาจา้างแบงก็ไม่เอาเป็นเป็นเป็นคนยิงเงินนักข่าเขาก็ไปจ้างผู้หญิงที่ใหากินจะ่ตัวไปที่นึ่ง มาแต่งตัวบนพยาบาลรู้อยูงไม่ยอมร้องแล้ต้องป่วยรู้ว่าโอ้ที่ร้องร่ายเหล่านี้ไม่ยอมเนี่ยจนลูกลูกเาไปบอกยอมยอมใครไปแขาจะทำใครก็ยอม้องนะค็บพอถึงวันตายพร่กไปกันเยอะข้าพเจ้าบรรณาความดีบอกว่าเป็นคนอยู่ในสิในทองกต้าพนังความดีในสินตายไม่ทำวะ แล้วก็ไปด้วย อ, อาการสงบจะว่วไดดีดีไปกับาการมีมีว่าเอียร์ร้างยุโรปเองเนี่ยเป็นคือพอท่านก็ป่วยว่าคนก็น่าถือแย่แล้ว ก, ก็ต้องไปดูดูเศษอออุ้ยทร ม, มากันกัานายการนมอก็ไปดูสเสษ็คือ ต่อมาหาคนนั่งประกับมาไว้เพราะประกามาว่าอาการเขไม่ค่อดีเสลกขึ้นมาจุดแน่นิดเขาอาไปโรงพยาบาลหมอก็ไปดูึ่านก็ร้องร้องจนขาดใจตายแต่คนนับถือกันทางบ้านเลยเนี้ยอยู่ในสุภาเรานี่แต่นี่พอไอ้คือคนที่อยู่ใกล้ๆก็มาเล่าให้ฟังโ้สงสารหลวงพ่อถูหมอดูเสลตายชาชาเลยแต่ว่าเรามาเขียนรายงานที่กาย ท่านปาไปยด้วยอาการจังหวะหรือตายอย่างคนอื่นก็จะว่าอะไรนี่ต้องบอกแนวว่าอย่าเชื่อคำอ่าน ห, หน้าสพเรื่องนี้สอนด้วยอาการอ่าน ห, หน้าสพนี่อย่าไปเชื่อต้องเขียนดีๆไม่มีคำเขียนนะท่านในชากดาหรือกาตามแล้วก็ขาดสายาอย่างาดูราดูเลยไม่มี ไม่มีไม่มีเลยคืออ่านแล้วคนฟังได้สลบสั้งเล่ใจะไม่มีเลยยังสุอ่ะยัไปไปที่ไหนก็มีเรื่องดีใช่ไหมคือมันมีอยู่มันม่อยู่ลายไหมโอ้เคือแกแกจะไม่มีทัน จะไม่รู้จะพารนาความดียังไงใช่ไหมจะไม่มีไปเทะเลยวันนี้มอนอาจารย์ไปเช <c oughs> ะอาจไม่กรุวนานกินโอ้โหจจะไม่มีใครจะเชะคือถ้าจะเชะจะไม่รู้จะยกหัวข้อดีอะไรจะเจอเลยเลยตัยว่องโอ้โหขนาดพระมองมาข้อดีไหมล่ะคือเมาอย่างไรนั่งตาางางเล่า คือเป็นงานของดรามาเรียนงานชิ้นนั้นครับเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นข้อบ่งบอกว่าการมาสัญญาพยาบามสัญญาวิหิงสาสัญญามันเป็นโทษถ้าถ้ายันจำเรื่องเหล่านี้ได้มันจะเป็นโทษในมรณาสันาการขึ้นเป็นสิ่งที่น่ากลัว ถ้าจําในเรื aan, ่องของกรรมได้มากไอ้ต no ัวกรรมมาคุณทั้งหลายก็จะมาผุดเป็นกรรมว่าอารมณ์กรรมมีวิตรลมหรือสติมีมิตรมอารมณ์เหล่านั้นก็ทําปฏิสนมธีในภพต่อไปก็อภัยทุกข์สติมิจฉาโลกถ้าจําในเรื่องของพยาบาทพยาบาทมาผุดในเวลาใกล้ตายก็มาเป็นกรรมว่าอารมณ์กรรมมีมิตรลหรือคติมีมิตก็ทําปฏิสนมธีในบพยภูุณนะหรือถ้าเป็นวิสิงสาสัญญาเนี่ย ไอ้เรื่องคิดเดียดเรียนไว่มากๆมีกาลงังความจําบะเภทนี้มันก็จะมาผลในเวลาให้ฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นโทษโดยประการละไ ท, ท, ท, ท, ท, ทั้งปวงบางที้ว่าสิ่งที่เราดูว่าดีที่สุดเนี่ยแต่กลับว่าเป็นโทษอย่างยกตัวอย่างเฮมินยินดานี่ยสมบัติทั้งหลายที่เราชื่นชมกรนเรียแต่ถ้าใกล้จะตายปุ๊บไปเป็นอารมณ์ก่อนตายทำไมใครไม่เหร เอาได้ว่าอะไว่าเป็นอารมณ์ที่ดีที่สุดทำไมไม่เอาใช่หมถามว่าบ้านของเราเน่สวยไม่สว ย, สวยถามว่าเอาเป็นกรรมอันนี้ไม่ก่อตายไหมไม่เอาเลยทุกคนไม่เอาเลยเช่นพรจะตายคิดถึงบ้านหลังนี้อยู่ตลอดเวลาไหมไม่ได้ปฏิสัณฑ์ ด, ดีวพวกเหมือนมาเกิดเป็นหนูเป็นนกเป็นมแมลงใช่ไม้มเป็นปลวกหรือว่าเป็นเปรต้าอยู่เมืน่อะที่ตรงนั้นยุ่งเหยิง ถึ้งบอกว่าสิ่งที่ดีในปฏิวัติเนี่ยก็กลับว่าเราไม่ต้องกานหรือว่าเรากลจะตามไม่ต้องการคิดถึงทีนี้มันไม่ต้องการคิดถึงได้ไงเพราะเราจําอย่างนี้ได้มากที่สุดเรื่องอยู่มันไม่จําถ้ามันจำเรื่องไหนมากไอ้เรื่องนั้นมันก็เป็นอารมณ์ของเราแัดเจนงั้นตรงนี้ก็ต้องไปพิจารณาว่าเน่นะบางอย่างดูไปปอดดูแล้วให้ไปปอดอย่าดูแล้วยืดถ้าดูดูแล้วยืดเนี่ยมันก็ฝัน แน่นเลยมเช่นหลับตาเห็นหดเลยเนี่ยนะแต่ว่าต้องเป็นการว่าสัญญาเป็นพยาบาทก็เป็นวิหิงสาก็เป็นผู้นี่เป็นอย่างนี้ส่วนเนธาว่าสัญญาอัพยาบาทสัญญาและวอวิหาาิงสาสัญญาอันนี้อันนี้ดีความคิดในลักษณะอย่างเนี้ยเป็นอารมณ์ในกรณาสอานการณ์ได้เช่นความจําความจําความกําหนดหมายกล่อยออกจากการ หรือความจําในเรื่องของเมตตาในเรื่องของกงาุศลนี้เนะี่ยตรงเนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ากระทําไปแล้วจะเป็นปัจจัยในการเจริญกุศลเบื้องสูงได้เป็นอย่างดีนี่เป็นอย่างนี้นะแล้วประการต่อไปก็เป็นการมะธาตุาตุาคือการพยาบาทธาตุาตคือพยาบาทญิงสาตธาตุาต ค, าา ค, าาคือวิญสาต กามมาธาตุอาทิสตุกรรมปฏิสังุตโตตักโวิตัโกวิชาสังคโปรายามุจติกรมธ า, าตุพึงทาวิฉัยในธรรมทั้งหลายมีการมธ า, าตุต้นต่อไปว่าการมความสิกวิตกความดำริผิดที่ประกอบด้วยการมเรียกว่ากรรมมาธาตุอภิสวรรค์ธรรมทัท้งปวงที่ว่ากรรมมาธาตุอภุสธรรมทัท้งกายปวงที่ว่ากร ม, มาธาตุก็คือว่า ความตร่นความวิตกความดมหลี่ผิดที่ประกอบด้วยการนั้นการฆ่าฆ่าคือการในที่นี้ก็เป็นชื่อของธรรมะคุณก็เป็นชื่อของความดมหลีความตื่กหรือวิตกความคิดผิดที่ประกอบไปด้วยกิเลสการประกอบไปด้วยความโลภความยินดีความเพลิดเพลินสุขสมนะที่เกิดขึ้นจากความยินดีความเพลิดเพลินนะฮะอันนั้นเป็น อากุศลทั้งวงก็เป็นการลท่าเหมืออันนี้ย่อมาหมดเลยนะที่จะว่าเป็นการาละท่าที่เอาอากุศลทั้งหมดอีกในยั น, นึงส่วนความเติกวิโกความตบีผิดที่ประกอบด้วยพยาบาทอันนี้เรียกว่าพยาบาทท่าพยาพยาบาทท่าความอาฆาต ค, ความกระทบแห่งจิตความไม่พอใจในบรรดาวัตถุแห่งความอาฆาตสิบอย่าง อาคาตะวัตถุสิบอย่างเขาเคยทําความเสียหายให้กับเราเขากเขาจัดทำความเสียหายกับเราเขากาลังทำความเสียหายกับเราอีกสามเรื่องนะเขาเคยทําความเสียหายให้กับคนที่เรารักจะทําความเสียหายคนที่เรารักกาลังทำความเสียหายกับคนที่เราเขาเคยทําประโยชน์ให้กับคนที่เราเกลียด จาะทำประโยชน์ให้กับคนที่เราเกลียดแล้วก็กําลังทำประโยชน์ให้คนที่เราเกลียดแล้วก็พวกขั้วกระทั่งกวาดหนามตอต้นเดิ่มไปสรุปลักษณะยอย่างนี้ก็ว่าวัตถุแหงความกระทั่งนั้นเป็นพยาบาทธาตุส่วนความเกิดวิตรความบังเอิผิดที่ประกอบไปด้วยวิหิงสานั้นก็เป็นวิหิงสาธาตุเพราะว่าบางคนในโลกเนี้ย ย่อมเบียดเบียนสับทั้งหลายด้วยความมือบ้างด้วยก้อนดินบ้างด้วยท่อนไม้บ้างด้วยสัตวาบ้างด้วยเชือดบ้างด้วยวัตถุมีกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างดังกล่าวเรียกวิถีศีลยอมเบียดเบียนสับด้วยฝ่ามือทำยังไงใช้ฝ่ามือเปไปไปตอกไปเบียดเบียนเขาเอาท่อนไม้ไปไล่ไปตีับเบียนเบียนเนี่ยไม่ได้ถึงขนาดตายนะถ้าไม่พอร์มา อันนี้ไม่ได้ฆ่านะแต่ทำให้ทำให้บาดเจ็บทำให้บาดเจ็บประการต่อมาก็เจอว่าได้ศรัทาได้เชื่อโอ้โหได้เชื่อม <c oughs> ีอาจารย์เคยืมเคยมัดผูกก็ก็ไม่ทราบนะก็ อยู่เป็นเจ้าราชเจ้าายอยู่มกใส่แล้วเที่ยงมัดแล้วผูกไว้ระดนมาเนี่ยเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นกรรมเป็นกรรมในเรื่องวิถีสาราพในเรื่องของกรรมวัฏธาตมีกคาหาอยู่สองอย่าง คือในคาถาสองอย่างนั้นถือเอาการมาธาตุเป็นนั้นถือเอาธาตุสองอย่างนี้ด้วยแต่แยกออกจากธาตุนั้นการพยาบาทธานี้นี้คือวิญญาธาตุคิดว่าคือพระภูมิเนบาตจ้ประกาศการมาธาตุก็ตรงงดพยาบาทธาตไว้ในที่ของพยาบาทธาตจะทรงวิญญาธาตุไว้ คือจริงๆมีเรื่องของการตรัสในเรื่องธาตุเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรจากพวกวิตตุธาตุคือกามธาตุคือก็พปุตธาตุคือวิตตุเนคขมะธาตุธาตุคือเนคขมะอัพยาบะธาตุธาตุาคืออัพยาบะาแล้วก็อาวียังสาธาตุธาตุกคืออาวียงสัตว์ความเป็นามนหลีถูกที่ประกอบเรืยๆคำว่าการคิดเนี่ยนะการคิด ที่ออกจากกามนิสัยนี้ท่านเรียกก็เป็นเมตคำวัส่วนกุศลชั่งควร ก, ก็ชื่อว่าเทตคำวัตความเติบความดับบีความคิดในทางเมตตานั้นก็เป็นอริยาบารมีความเติบความดับรีในการไม่เบียดเบียน ก, ก็เป็นอริยาบายัมีก็คือความไม่โลภแล้วก็เมตตาแล้วก็กรุณาในนี้จะท่านจะกเ็เป็นท่า ประการต่อม า, า, ม า, า, าคือตามะท่าค่าคือตามะพบรู ป, ประท่าค่าคือรู ป, ประพบอรูประท่าค่าคืออรูประพบตรงนี้ก็ท่านกล่าวเกี่ยวในเรื่องของพบสามเขาไวาที่กล่าวเกี่ยวในเรื่องของพบสามเนี่ยในรายละเอียดนะในรายละเอียดเกี่ยวกับในเรื่องของพบ ก, ก็เป็นสิ่งที่ ที่ต้องาำความตข้งใจนในเรื่องของพบเนี่ยนะการมาพบก็หมายถึงพบในการมาภูมิก็มีอบายภูมิสี่มนุษย์หนึ่งแล้วก็สวรรค์หกอันนี้เป็นการมาพบจนรูปประกบก็คือในรูปภูมิสิบห้าบวกกับสัญญาอีกหนึ่งก็เป็นก็เป็นรูปหก อันนี้เป็นเป็นรูปภปพส่วนอารมณ์ภปปพก็คืออารมณ์ภปปูมิสี่ก็อาการสารัญจาย า, ยานายตนะสิญญาัญจายาตนะอาคินจิตญายาตนะและ้วก็เนวะสัญญานาสัญญา ญ, ญาตนะอันนี้หมายถึงเกี่ยวกับในเรื่องของในเรื่องของของภพการศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของภพเนี่ย มันเป็นประโยชน์ก็คือว่าจะได้ ร, ร, รู้ว่าที่อยู่ที่อยู่ของสัตว์เนี่ยเป็นยังไงท่านท่านที่มาแสดงไว้ตรงนี้กาที่อยู่ของสัตว์เจอสัตว์ในกาลภูมิเป็นอย่างนี้สัตว์ในรูปปภูมิเป็นอย่างนี้สัตว์ในอรูปปภูมิเป็นอย่างเนี้ยที่ท่านท่านสแสดงเกี่ยวในเรื่องพบกันไวแต่ในรายละเอียดเนี่ยถ้า ออย่างเช่นอวัยภูมิสีมนุษย์หนึ่งเทวภูมิปกที่แสดงเอาไว้เนี่ยแล้วแสดงภูมิที่ต่ําจุดก็คืออเวกีเป็นเกอร์อะไรเ้ยนะจันรูประภบก็มีรูปะภูมิการประพกได้แก่ภูมิที่อยู่ที่จริงในสัตว์ในพวกอสุรกายเกรดสัตว์เลถานสัตว์นรกเนี่ยอันนี้ก็เป็นการประพกมนุษย์แต่เทวด้าซึ่งเป็นภพที่มีการสวยการคูนห้า ด้วยประสาทสั้งถ่ารางห้าในการประพรมเนี่คือต่างๆทุกจมูกลิ้นใไม่ว่ามนุษย์หรือเทวดาก็จะมีการถามว่ามนุษย์หรือเทวดามีการเดินืาองว่ามันมีแต่ส่วนน้อยฉะนั้นท่านผึง เ, เรียกการประพรมจากลูก ป, ประพรเนี่ยโทมที่อยู่ของตักผู้สำเร็จรูปประชารเรียกอย่างหนึ่งว่ารูปประพม เป็นพบที่มีการเจริญรูปประชานมากเพราะรูปประคมท่านล้วนสาเร็จชานในรูปประชานเลยนี้ยถามว่าพราะรูปประคมมีการรับรูปเสียงกินรดเป็นต้นไม้บอกนี้แต่ไม่เป็นไปกับการมัจนาเขามีการข่มการมัฉันทาและพยาบาทเป็นต้นดังนั้นรูปประคมเนี่ยอย่างเช่นขติการโคมเนี่ยทำไตยวนมาถวาย ครั้งมหาุดวันออกสูวิเนสตงหรือสามบดีธรรละัตนนาให้พระเจ้าแสดงธรรมพรุ่งเราเนี่ยอยู่บนรูปปกปูหรืออยู่ในรูปปกภูพอล่าดถึงตรงเนี้ในในในปัจจุบันมนุษย์ในปัจจุบันหมองคือในยุคปัจจุบันนี่เราไม่สามารถสื่อสารกับกลุ่มเหล่านี้ได้เพียงห่างเวลามาแค่สองพันก่าปีนี่ สองพันกว่าปียังไม่ถึงวันหนึ่งของเขาเลยพระเจ้าวันนี้พานยังไม่ถึงวันนั้นมีความรู้สึกของเขาแต่หลังจากพระเจ้าอไปนิพพายแล้วเนี่ยเขาแท่ไม่เห็นประโยชน์ในการที่จะลงมาเชื่อมโยงมนุษย์ลงพอมาแล้วเนี่ ย, อ ย, โ, อ โ, ย, าายโอกาสที่จะได้บุญ้็ไม่มีเมื่อไม่โอกาสในการที่จะได้บุญเนี่ไหมเขาก็ไม่มาถ้าสมัยก่อนบ้านหลังนั้นอยู่เั็นเป็นบ้านหนึ่งเมืองใช่ไมใครใครก็อยากจะมา ธรรมดาเนี่ยโอ้โหมาตอบบุญกันถ้าใครใครบุญน้อยก็เริ่มไม่ทด้ทำอะไรดีนะก็มองอะนะนาบุญใช่ไหมมองหาหนงนาบุญเขาบอกว่าถ้าได้หนงนาบุญที่ดีใช่ไหมเขาก็เอามองมปลูกข้าวกล้าแล้วปลูกข้าวกล้าแล้วข้าวกล้าเขาก็เจริญออกเงาแต่มาในปัจจุบันนี้ไอ เนื่อนานาไม่ดีเข้าวโป๊เข้าเป็นข้าวเลี่ยนเยอะแล้วแต่เราเป็นโทษเป็นโทษในการที่ว่าเนี่ยเราเกิดมาในสุขสายเหล่านี้ก็เป็นดีก็บอกว่าจริงๆเนี่มันมีคาว่ามาไว้โทษกรรมกรรมเหมือนาาานากรรมัญหา นึงหานเป็นเป็นความชุ่มชื้นอะไรก่อนจ๊ะแมบยังในเรื่องของรูปกระพเนี่ยท่านไม่มีไ ม, ม่มีประสาทลิ้และการส่วนอารมปกระพงเนี่ยได้แก่พบภูมิที่อยู่รางอารม ป, ป์กระพเป็นที่อยู่ผู้สาเร็จอารุปฌานเรียกว่าอรู ป, ป์กระพเป็นภูมที่ปราจากรู ป, ปรกาย มีแต่จิตมีแต่นามาทำนะแค่นัสิกตาดาบทที่เป็นอาจารย์หลงพระเจ enfin in ้าค no ุอตัวนนาร้องไห้หลังจากพยากรณ์ว่าเจ้าายจิตเจ้าสาวจะได้จักรวรรดิรุ่นพุทธเจ้าร้องห้เพราตัวเองไม่ต้องการไม่ต้องไปเกิดเป็นรูปภพหมดโอกาสความทำเขาไม่มีรูปกายและตอนนี้อุทษาดาวดลและอาราณดาบดผู้ได้รูปแทนรูปแทนที่เกิและที่แตกไปเกิดในรูปภพเมื่อกี้ตรงเนี้ย เป็นข้อของบอกว่ากามกามภูมิกามาธาตุรูปธาตุแล้วก็การูปธาตุาาารราอันนี้ก็ตั้นการเกี่ยในเรื่องของพบในเรื่องของพบภูมิเข้าไว้อันนี้ก็อย่งางเราทั้งหลายก็ศึกษาว่าที่เราศึกษาแล้วพบภูมิเขไว้ก็เรียกเป็นการศึกษาเรื่องสังสารวัตนี่ที่จะไปเกิดกันเด้เนี่ยวนๆอยู่แล้วเนี่ย อภัยโูมสี่วนุษย์หนึ่งสวรรค์ี่หกอันนี้ผมก็กลาวมภูมิเนี่ยเลยมากเราก็ไป ใ, นนใครได้ไปสูงหน่อยเอาขนาดไปได้แค่ชั้นจาตูมนี่เราโอ้สุดยอดแล้วถือว่าสุดยอดแต่ใครไปได้ในชั้นดุสิตชั้นบิมมาระดีปรายมิสวาตวัดดีโอ้เจ๋วเ น, นี่ไม่ใช่สอนให้หลงไหลได้สวรรค์ น, นะแตเพียงว่า แต่ก็ยังมี้ก็ใบปูแต่จะพูดถึงว่ามันเป็นไปในสังสรารวัฏไม่ออกเลยนะแต่โดยมากก็วนวนแต่ที่ต่ำๆเนี่ยเป็นสิงที่ทททททไม่ควรไปก็คือเปลือกสัตวรกายสัตว์เดรัจานและสัตว์ตับางทีในใบปูนเนี่ยสะสมเยอะเยอะมากๆนะในในะใ น, ใ น, ใ, น, ใ, นในการปรูมเนี่ย แต่ถ้าโอกาสที่จะไปรูปภูมิแล้วรูปภูมิเนี่ยน้อยน้อยมากน้อยประการต่อไปก็ถือว่าอารารย์ท่านบอกว่าบรรดาท่านเหล่านั้นกามาพบที่ท่านแถลงรายละเอียดไว้ว่าบรรดาท่านเหล่านั้นการมาท่คือกามาพบตามสุดก็คืออเวทีอ่ะในกามาพบนี่นะสมงสุดก็คือปรานีนิสสวัสดิ คือในในนรกเนี่ยเขาก็ยังแบ่งลงไปในเช่นมหาโลกแปดกุ่มเนี่ยต่ำสุดที่คือเอาเอจีมหาโรกต่ำสุดคือที่พระเทวถ้าไปตกอยู่เนี่ยในอุตสาหบุตรในพุตส่าห์นหาลงขั้นสุดท้ายเลยมีมีเสียงแขนไปตามมาค่ะแต่รบกับสรกวะรบกับรกกระดานที่ได้กล่าวมา รูปว่าธาตรูปว่าธาตุแล้วส่วนนิพพานท่านจะก็เป็นธาตุเหมือนกันไงเขาเรียกว่านิโรธาตุธาตคือพระิานนั่เป็นความดับเป็นความดับแล้วเรามายังตอีกอย่างหนึ่งว่านี่นะธาตุธาตุอย่างยามชิมาธาตธาตุอย่างกลางแล้วก็ปณิธาต ก็ธาตุอย่างสารนี้ทีนีธาตุธาตุอย่างหนึ่งยาก็ได้แก่จิตวิบากเป็นอกุศลคือโลผ้าแปรโทษสาสองมัวสองสองันนี้เป็ น, นาาามีเนี่ธาตุธรรมชิมาธาก็คือคำที่เป็นไปในภูสามเป็นมัชชิมาธาคือฐานธาที่เป็นไปในกางประบูรูประบูรูปร ะ, ป ม, ประปมูจะเป็นมัชชิมาธาส่วนโลกุตระคำเก้ามรรคสีผลสีและนิทานจะเป็นปรณีธาต คือธาตุที่ประมีอันนี้ท่านจาาับว่าธาตุไหว่าธาตุอันก็ก็ศึกษาได้ไรายละเอียดก็คืออะไรเป็นกาย ม, มาธาตอะไรเป็นมจุ ม, ม, มาธาตอะไรเป็นปณิธา น, นี่ท่านก็ก็ก็จัดเป็นในสามลํำดับประการต่อมาก็พูดในเรื่องลุกตัณหาสารติดโสตัณหากามมัจจนาป ว, วัตวนาวิปวัตนา วเวลาตรวจธรรมจักพระควัฒนสูตรจะอีทางโขปนาพิคเวใช่ไหยทุกขสมุทโย อ, อริยสัจจังแล้วก็ยาญาตสัหาโปโนภวิการนันทิราค้ า, า, าสาระาตาัตระตตระพินันทีนีสยยะทีทางกามะหานภา ว, วาวัฒนาวิภาวัฒน์บอกว่าเนี่ยคือตันหาสามประการนี้เป็น สมุทยสัจจะเป็นสมุทยัยสัจจะเป็นธรรมะที่ควรละในตัณหาสามประการนะการวัตตัณหาได้แก่ราค่าที่ประกอบด้วยเยนกรรมคุณความอยากในการความอยากในการะคุณหรือสิ่งสนองความต้องการก า, า, างภาษากันห้าภาวะตัณหาความอยากในพบความอยากในภาวะ ของตัวตรนที่จะได้เป็นอย่างไดอย่างนึ่วิภาวะตัณหาความอยากในวิภพวิภาวะตัณหาตามพยานอยากในวิภพภาวตัณหาความพยานอยากในภพการตัณหาความอยากในกางลองเห็นก็บอกการตัณหาความพยานอยากในกามภพรูปตัณหาความพยานอยากในรูปภพ อารมณ์ัจจานาความพยายามอยากในอรูณประกบกันหรือรูปัจจานาความพยายามอยากในรูปประกอบอารมณ์ัจจานาความพยายามอยากในอรูณประกอบนี่โรทัศนาความพยายามอยากในความดับสูงทีนี้ว่ามีตามดับก็คือว่าราคะการมัจจานาได้แก่ราคะที่ประกอบด้วยาาเญชกรรมคุณ ทีนี้ส่วนราคะในรูปประพบและอารมณ์ประพบจัดเป็นชานนิการติดความติดใจในชานราคะที่ประกอบด้วยสัพสตาพิถีเรื่องหน้าในภพชื่อว่าเพราะตราหนั่งส่วนราคะที่ประกอบด้วยเฉทพิถีคืออวิปวะตระหนั่งทีนี้ท่าจะแยกกันอย่างที่เคยศึกษากันมาคือถ้าการอัตระหาั่งในความยินดีความพอใจในการคุณ ความดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอันนี้เป็นขามัตตนาทพวัตตนานี่เป็นความดมีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหมือนกันแต่มีความเหม็นว่าเชื่องบวกเขาด้วยอันนี้เป็นทพวัตตนาส่วนวิทพวัตตนานี่เป็นความดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหมือนกันแต่มีความเหม็นว่าขาดศูนย์บวกเขาด้วยอันนี้นเป็นวิทพวัตตนาก็เป็นนี้นะ ในบรรดาตัณหาเหล่านั้นนะภาวะตัณหาคืออะไรคือราค่าที่ประกอบด้วยสัจจปฏิทีนเขาเรียกว่าสาระสราค่าความกำํำลังความกําหนังอิมพิทเรียกว่าภ า, า, าวะวาตัณหาอวิภาวะตัณหาก็คือราค่าที่ประกอบด้วยอุเฉตปฏิทีนนั้นเป็ น, นวิภาวะตัณหานี่ก็ทาําความเข้าใจบอกว่าตัณหาเนี่ยครับ ตัณหาเก็แปลว่าความอยากความตั้งหายความพยายความเสน่หาความรม้นความร่านความกระตับกระสายความโกรธวายไม่รู้ยิ่หลักสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับตัณหาก็คือว่าในหลักปฏิจจสมุปบาทเนี่ยตัณหานั้นเกิดจากเวทนาเป็นปัจจัยโดยมีอวิชชาเป็นบุละใช่ไหมตัณหาปัจจยาเวทนาปัจจยาตัณหา ฉะนั้นเวรนาเป็นปัจจัยเป็นเกิดปัญหฉะนั้นเมื่อบุคคลรู้วอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่น่าชอบใจและไม่น่าชอบใจเห็นรูปสวยๆเป็นต้อตอนอะไเนี้ยนะเกิดความรู้สึกสุขหรือทุกข์เวลานั้นตัญหาก็จะเกิดขึ้นในลักษณะอย่างใดถ้าสุขก็ยินดีชอบใจค้อยตามสิดใจถ้าเกิดทุกข์ก็ดีกเลี่ยงไม่อยาก ตัรหานเนีน่ยนะเป็นตัวผูกพันมีเวทนาเป็นเดตยดกาหาก็สร้างไปตามรูปรารมณ์ต า, าตาารมณ์กันตาอารมณ์รักอามราษษษษามณ์โพรธอารมณ์นี่เป็นไปด้วยกันส่วนภาวะตัณหาลราวิภ า, า, าวะตัณหาในตัณหาสูตรนะบอกว่าพระองค์ไม่ได้ทรงแสดงความหมายของตัณหาแต่ละอย่างไว้โดยตรงแต่ก็ได้ตัดข้อความบอกว่า ภิกษุทั้งหลายตัณหาเหลานี้สามประการการาวัฏฏนาภววัฏฏนาวิภววัฏฏนาชนทั้งหลายผูกพันธุ์ด้วยเครื่องผูกหรือตัณหาในจิตยิน ด, ดีในพบและอาจพบพวกเขาผัวพันธุ์ด้วยเครื่องผูกของมันไม่มีความรู้โลกหลงใจเป็นจักไปสู่สงสารถึงความเกิดจะความตายส่วนคนเหล่าใจกําจัดตัณหาได้แล้วเป็นผู้ปราศจากตัณหาในพบและอาพบบรรลุถึงความสิ้นอาสวะชนเหล่านั้นเป็นผู้ถึงตักในโลก พูดถึงในเรื่องของกันก็นกสรุปตรงนี้ก็คือว่าในธรรมรจักกับประวัตนาสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนเขาไว้ที่บอกว่าีกทางโคปนานาทิขเวทุกขสมุทโยอริทุกขสมุทโยภ ร, ริยสัจจัง ยายั่งตัณหาโกโลภวิตานทิราคาสะกะถาตัตระตัตระภิณทีสัยยะกีตังธรรมตัญหาภวตัญหาวิภวัณหาบอกว่าเนี่ยตัณหาจะเป็นตัวสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ฉะนั้นความทุกข์ทั้งหลายที่เป็นไปในสังสารวัฏไอ้เจ้าตัวนี้แหละเป็นตัวเป็นที่คือตัณหาความ ยินดีในกามบ้า ง, ม า, บางยินดีในพบยินดีในวิภพเป็นต้นนความยินดีในรูปเสียงจินรสสัมผัสนีตัณหามันเป็นตัวอย่างเหนียวมันเป็นปจัจจัยทาให้กรรมนั้นมีผลปกตินกเนี่ยกรรมเนี่ยถ้ามีตัณหาเป็นตัวฉาบทานลยนะกรรมนั้นก็ไม่มีผลทีนี้พอมีตัณหาเป็นตัวฉาบทากรรมนั้นหอ้โมีกำลังเป็นยานเหนียวเลยให้ผลเป็นตัวความชุ่มชื้น เหมือนกนนะับเมล็ดข้าวนี่นะไปเอาไว้ในดินถ้าดินไม่มีความชุ่มชื้นมันไม่ขึ้นตัต้งหาไปหมุนความชุ่มชื้นในตัวปฏิสนธิวิญญาณในตัวกาวกับตัวปฏิสนธิวิญญาณนี่มันไม่มีการไปชุ่มชื้นเนี่ยตัวปฏิสนธิวิญญาณเกิดไม่ไดแต่พอมีตั้หาไปาครุกเข้ามันเป็นยางเหนียวไปทําให้ตัวปฏิสนธิเจริญทําให้กาวมันเข้มข้น พระพุทธเจ้าจะบอกว่าโอกรรมในธรรมจักเดียวศึกษาแต่พระพุทธเจ้าจะบอกว่ารู้แล้วที่มันเกียว่าอีทางทูขังอริยสัจจันติเมยที่เกี่ยวอีทางทูขสมุทโยอริยสัจจังติเมียที่เกวุภเกนั้สุเทสุธรรมสุจักปุตตะปาทิญาณุตตะปาทิ พัญยาตะปาคิวิชาตะปาฮิอารโโาโกมาทิส่วนจากครูปัน ย, ยาญาณะแสงสวา่างวิชาที่เกิดขึ้นกับเร้เกิดขึ้นกับเราอย่างที่ไม่เคยตามกันมาก่อนบอกว่าตัณหาเนี่ยเป็นสมุทยาาัยอริยสัจและตัณหาสมุทยาาัยอริรยสัจไม่เป็นทางมที่ควรักและตัณหาสมุทยาาัยอริยสัจเนี่ยก็ เราจะหาพุทธะด้วยเป็นพระพุทธเจ้าจ ะ, บ, บ, จะอาจบอกว่าโอ้ไปทำที่ ว, วันแล้วก็เป็นธรรมที่ก่อทุกข์เรามาศึกษากันอย่างนี้แล้วก็บงเป็นเพียงเพื่อจะเจริญกุศลเพื่อจะได้เป็นประชัยในการละลยละตัณหาเราพยายามสาธยายบทสวดเยอะๆสาธยายทำไมจากกันเป็น สัตยาคำนองเป็ปยยนฝุดพระเวาสัตยาดูของนี่ไมได้เข้าใจนี่หมดาได้ไดเจริญธรรมะ